องค์ารประเทศนวานเขตที่เชียงรายบรรดาเถแก่คนต่างด้วยภาวนาด้วยจริงจมากคนเชียงใหม่แก่เสด็จช การกระทำหรือคำพูดหรื อ, อความคิดในของเราพระสหามไปด้วยให้เราพยายางมาสับฟอจิตใจว่าเราแค่สหามกิเลสไม่ได้กเกิดที่เราเรกิดที่ใจเราถ้าจะมีศัตรูที่ร้ายที่สุดในชีวิตของเราก็คือกิเลสของเราเองไม่ใช่คนอื่ น, นแต่กิเลสเนี่ยมันบางคนมนะันรู้สึ ก, มออกเมือนหอมหวานในเบื้องต้น พระเจ้าบอกคนทาชั่วนะ่รู้สึกมันนอนบานแต่มันมีผลในตอนในเบื้องไกลต่้ระพย า, ยา ม, มาสั่งองใจเราให้คนทำงานบีบแททุกวันเราฝึกต้องซองแล้ก็พระเาสอนวิธีให้เราแล้วรูปบรรจารามาบอบต่เราก็ต้องตึกตัวเองถ้าเราได้ยินได้ฟัค ง, งคําสอนของพระเจ้ออาของรูปบรรจารีสุดภาพมา ถ้าเราแล้วไปอ่านเราไม่มีประโยชน์อะไรกิเลสไม่กลัวปฏิยัติผิกิเลสกลัวการปฏิบัติที่ถูกต้องและก็มาของปฏิบัติผิดในกิเลสก็ไม่กลัวปฏิบัติโกงแต่ปฏิบัตินิดหน่อยกิเลสก็ไม่กลัวกิเลสไม่ครอบโลกเพราะมันไม่ใช่ของกรมมันดาครอบครองโลกไว้ได้ตลอดเวลาสัตว์โลกทั้งหลายนี <La tomorrow. S 1> ่ว่าแต่บรรลุเลยนะถึงเดวดาถึงสมัยจะพ้นจะกํานาจกิเลสได้มีไหมคนละ เราต้องมาฝึกฝนตัวเองอดทนอดกลั้นการจะขัดเกลาร์ตัวเองเนี่ยยากมากเลยยากกว่าการไปจัดการคนอื่นสิเราเราเข้าข้งตัวเองเรารักตเมันทำให้เราอแอะอดแทไม่คอยบาขัดเลาตัวเองทาใจให้เข้มแข็งนะอดทนไปแก็ตั้งใจว่าเราจะต้องรักกิเลสองใจของเราให้ได้ รางไม่ได้หมดนะราง น, นิดหน่อยกต่ปกิขึ้นมานิดหน่อยร่างได้มากหน่อยเราก็ดีขึ้นมากมากนระ่างได้หมดจดนะวก็พ้นคุกพออก้นนอนเตือกับไปนี้จิตใจเราจะสมมงบร่มเย็นในตลอดเดวลาทั้วันังคืนเป็นอความสูขความสงบอะไรได่เกิดขึ้นในชีวิตนะไม่มีความกระทั่งเข้ามาใจิตจิตใจได้ ใจมันเป็มใน่ความสุขความสุขความเมตตาปรินาอะรพวนี้มนเกิดขึ้นแต่ไหนต่นมันกไม่ต้องแรงทำเลยใส่เข้าใกล้าจะเริ่เปลียนเป็นสุขไปด้วยวิธีการที่เราจะมาล้างกิเลสออกจากจิตของเราถ้าได้ใส่เราต้อมรู้ทันว่ากิเลสมันมาหรือยังกิเลสมันมีไหมถ้าเรามองกิเลสในจิตของเราไม่ออกวอาไม่เห็นเลยไปล้างมัน่ไปล้างของที่มองไม่เห็น เดียวบางคนไม่สบายคนรู้เราที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรกันเนยอะไม่สแสดงอาการ ป, าปรคนต่อมาเราก็ทำตรวนตามสบายเหมือนเดิมอัตร ท, ที่เป็นโรคไรเราไม่รู้เรตรู้สึกว่าเราปกติดีวันหนึ่งไปตรวจเจอนละ้วถึงจะ ร, รู้เป็นโรคจะต้องรักษารักษาทันบางรักษาไม่ทันบ้างแต่จิตไม่เหมืนถ้าเรามามีกิสซ่อนอยูรากรักษาได้ บางคนรักษาทันคามรู้มากคนไต่บางคนรักษาไม่ทันตายซะก่อนให้ชาติหนาให้ทำเอาไว้ <c oughs> ท่านหน้าเน่ยให้ที่เกียติาเนียใ้าดสติขัญญาในชาตนี้แต่วทํานหน้าจะมีสตินี้ปัญญาได้อย่ า, ญญามาันเก็ได้ถ้ามีความรู้ ต้องส <AM> ังเกตรานะใช่ความสังเกตเรกิเลสไกที่หรือว่กิเลสเิทีจิตเดียวนี้ล้ดูมันถอนสติัญญาเราไม่ได้สังเกนเราพเราทุกคนรู้จักกิเลสจดรู้จักโลกเปโลกใรอลเป็นม่เคยโลกเลยฉัถามว่าใครอลกเนสนก็ันน่งิ่งๆแต่ว่าใครไเคยโลกเลยนั่งนิ่งๆเหมือนเดิมนั่นหลวงมาช่วยเลย ใครรู้จักรอแล้วไม่ต้องยองเมือรู้จักทุกคนรอบอยากโนดอยากดีรู้จักไหมรู้จักโกรธไหมโกรเป็นัหยใครโกรธวันละสิบครั้งมีัหยใครเคยโกรธวันละสิบครั้งอย่างน้อยมีหมบางคนโกรธเป็นร้อยนะวนบันเนี่ยโกรธทุกสิ่งทุกอย่างหรือบินมาก็โกรธหรือบอย่โกรได้ทุกอย่างที่ยไม่ใช่ของอาชญากรอะไรหนักหนาหรอกนะ ถ้าเราอยากรู้เราก็รู้ได้แต่ว่าปัญหาใหญ่คือเราละเลยที่จะรู้เราหมดจะทำตามกิเลสไปเรื่ยๆหรือมัวแต่พยายามจะไปสู้กับมันตรงๆแทน่เราจะรู้ทันมันนะถ้าเราจ ะ, าจะรู้ทันกิเลสไม่ไม่เรื่องอยากอะไรเลยใ่เราโลภขึ้นมาอยากขึ้นมาเรารู้ทันรักขึ้นมาเรารู้ทันแต่เใจโกรธขึ้นมากิจฉาพยาบาทความคาดเกเวียนเป็ ใจที่เหนียวทีหนื่อยอย่งนี่นตะกุโทสะเวลาโทสเกิดเนี่ยจิตใจจะไม่ชั่ชืนถ้าเมื่อไหร่ใจเราไม่ชั่ชืนนั้นให้รู้ทันเลว่าโทสะเกิดแล้วรูจักไหใจที่มันไม่ชั่ชืนมันือหนมันำคาดึงงความเบื่อเราเือเป็นการทาโทสะเบื่อเวลาเบื่อชั่ชื่นไหมไม่ชัชื่น เซ็งก็ไม่แค่ชื่นไม่ปิชาปิชาก็ไม่ชื่นใจอา า, า, ารขยบาร์นตะปูนโทสะทัหมดเความตันนี้เวลาเกิดความตันนี้แั้นชื่นไหมชั้ชื่นทำไยอัดตัวนั้นแรสำคัญที่ว่าตันนี้เหี่เป็นเร่พุมอันะที่แ้ตันนี้ไม่ใช่โลุมอตันนี้เวลาความตันนี้เกิดขึ้นใจไม่ชั้ชื่นนั่นเป็นที่เรียนตะปูนโทส ที่เราสังเกตที่ใจเราเนะี่ยถ้าใจเราไม่ช่ำชืน้ น, นขึ้นมาเราก็ลงคาญหงุดหงิดไปขึ้นมาเนี่ไม่สบายใจไม่ดีต้องสารแน่นอนวิธีดูถูกไม่ง่าอ ย, ย่างเงยหรือถ้าใจเราอยากได้อยากได้อรมณเห็นคนนี้ก็อยากรู้จักรู้จักแล้วก็อยากให้เข้ามาเป็นแฟนเราเป็นแฟนเราก็อยากให้เขาแต่งงานกับเร า, แ ต, า, เราแต่งงานกับเร า, แ, งง า, าแล้วก็ยกอยากให้เก็อยากกับเรามีความอยากมันจะเกิดขึ้นได้ท รจกอยากอยากตะกลโลกโลภะกิเลสตะกโลภะเนี่ยเป็นกิเลสชนิดที่จะดึงาอารมณ์เข้ามาหาจิตหรือไม่ก็ให้จิตเข้าไปจับอารณ์เวลาโลภะเกิดเนี่ยเราเกิดราบใครสักคเราอยากเข้าใกล้เขาอยาอยู่กับเข็นต่ยอยากเข้าไปจับอยากเข้าไปครอบครองเป็นเจเข้าจ้ า, าจอกิเลสตะกโลภะเนี่ยจิตจะเข้าไปยึดอากิเกสลสตะกลโทสะเนจิตจะลักอารมณ์ อย่เวลาเราเจอคนที่เกลียดเราอยากห่างอยากแทนไปไกลๆถ้าเขาไม่ไปเราก็ไปอยู่ยากได้อยู่ไกลๆนี่าข้ามเนี่ยมัาจะเข้าไปจับอารมไม่ดึงดูดอารมณ์โทสะจะปรับอ า, ารมณ์เจออะไรที่ไม่ชอบใจอยากให้มันจะเด็นลงไปเวลาป่วยไข้แต่ อ, อยางได้ห่างเร็วๆม่ดูอยากได้ควาเมเจ็บป่วยหายไปอยากให้มันกลับมั น, นไปอยากให้ป็นคนไปเนี่ยจิตมีโทสะ เน่สเกณฑโมหะโมหะเนยเป็นสภาวะที่จิตจับอารมณได้ไม่ชัดเจนจิตจับจดจับอารมได้ไม่ชัดเจนสารค้ากเนี่ยจิตจะทําไปตักรุมอมโสดาเนจิตหลักอารมณ์โมหะเนี่ยจิตจับปรุณได้ไม่ชัดเจนอย่างเวลาเรารลังเรศใส่ใช่ไหมหเรงเรสงส่เรืไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดจักไม่ถูกเลยเวลาที่ใจโสดาจับปารมณไม่ถูกเลยโผูตื่ ไม่รู้เลยตอนนี้เป็นยังไงดูไม่ออกละมั่วไปหเนี่ยรหันสังเกตที่ใจเรานะเราก็จะรู้จักกิเลสได้ถ้าเมื่อไหร่ใจเราโตด้วตรุบอารมณ์เน live, ี่ย okay. ต้องมีราคะแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ใจเราต่างอารมณ์นต้องมีโทสะแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ใจเราตัวโดไม่ออกนต้องมีโมหะอยู่แ <diamond> ล้วล่ะงั้นวิธีที่จะต่อสู้กิเลสขั้นแรกต้องรู้ว่ามีกิเลสสกัดในหันรู้ทันใจของเรา ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกที่ความรู้ตัณใจเราเองทุกคนรู้จักว่าโลกเป็นยังไงทุกคนรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักว่าหลงเป็นยังไงเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้ตั้งแต่นี้ไม่ละเลยดูบ่อยๆ่็ได้เนี่ยทีแรกดูเราก็ดูตังต่นี้ใส่เราเราคนใหนขีโมโหนะก็ดูจิตที่มันโมโหที่มันโกรธมีโทสะวันหนึ่งวันหนึ่งเนโทสะเกิดเยอะแยะเลยจะได้เป็นน้อยความตันตายเช่นอากาศมันร้อนนะ อากาศรอก็บุญิ่งไม่มีใครทำอะไรเลยแค่ตอนอนโมโหเวลาล้เย <crying. S 3> uh ็นขาปั่นมากโมโหากาหนาวจัดๆนะลมพัดมาเย็ก็นยิอยากให้มันลมนิ่งๆไม่พัดมาียมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะผลตงฝนตกฝนไม่ตกก็วนินะฝนตกก็วนยิ่งฟ้องี้ิ้นิ่คนไหนคิดโมโหนะเอาโทรศัพท์าทรรานเป็นตัวหลั คอยรู้นจิต ท, ที่มันมีโทสะตามมองเห็นรูปจิตก็โกรธหูได้ยินเสียงจิตก็โกรธจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ร้อนใจก็ต้องสัมผัสใจจิ้นมื่อจิตโกรธถ้าจิตตกรธให้มันนะให้รู้ทัน ม, มันโกรธมันเกิดขึ้นให้คอยรู้ทันกิเลสไม่ต้องไปทำไรออกให้คอยรู้ทันวิธีที่จะเอาชนะกิเลสเลยไม่ใช่คิดจะไปล้างนั้นนะไม่มีทางไปล้านกิเลสหรับจุกกิเลสล้างลาภข้าวขอทุกคนเลย ให้คอยรู้ทันมนันกพอแล้วกันจะต่อสูกเลนี่ไ้ที่ไม่ควายอย่กั น, น, นถ้าอยู่เือติทะเลอเรือเองเรือสินค้าลำใหญ่ๆจอดอยู่ในทะเลตตอนสมองไว้น้ามันกะมานะคลืมันมาเหนะ็น น, น้ำมันไหลไหเรือเนี่ยมันไม่ไอยตามน้าไปเพราะมันมีสมอตไว้ในขณะที่เรือไม่กว่าน้า เวลาที่เรา จ, จัดการแกักิเลสเสมอกันจิตของเราอย่าไปตานกิเลนสนะถ้าต้กิเลสไม่กิเลสริงมีพลังมากในขณะเดียวกันก็ยอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลาตามกิเลสไวให้เราเหมือนเรือจิตของเราเหมือนเรือท่ทสม อ, อไว้ไม่กวางน้ําแต่ก็ไม่ตันนะจิตนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปกวา่ากิเลสหรอกจิตมันจะโกรธก็ไม่ต้องไปห้ามมันเพห้ามมันไม่ได้เคยให้ตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธ ตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักใช่ไหมห้ามมันไม่ได้จริงหรอตั้งใจว่าต่อนนี้จะไม่ด่าใครแล้วฝันะ่งกานเมืองก็จะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีศีลแคบบ่เดียวแบบเดิมแคบบ่เดียวก็ว่าเขาอีกแล้วนะห้ามมันยากจะไปห้ามมันมันมไม่พิจามณาแต่ก็อย่าตามใจมันพอไม่ห้ามมันไม่ต่อต้านมันก็ชอบตามใจมัน โปรดตื่นมานะอยัางดาขาด่าอย่างตีเขากต็กตีอย่างทาร้ายรับสิทธิแล้วก็ทำลายนี่ลามใจกิเลสเวลาค่าเกิดรบเกิดแล้วก็ตามใจาามใจันเป็นช่วงเขาเป็นขโมยของเขาไปติดตั้งหลังโรงเขาหรืรๆๆอพยายามไปต่อต้านมันโมใจมัม่ถ้าเราไปต่อต้านกิเลสเราจะมือหนักมากเลยจะทุกข์รมานมากเลยมนนนนันจะเครียด ถ้าเราตามกิเลสแล้วเราดูกิเลสครอบนำเราแยกแยกน้ขมีก่าใสตาเราจะรู้ทันกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นความโลเกิดขึ้นรู้ทันความโรธเกิดขึ้นรู้ทันความโลงเกิดขึ้นรู้ทันไม่ต้องทำอะไรมากพอรู้ทันกิเลสที่มันกำัระคตขึ้นต่อหน้าตาก็ยังเห็นในกิเลสมันมาเราไม่ได้เชิญมันกมาเองมาแล้วมันอยู่ช่วคราวมันก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วกดับไป อย่าฝักโกรธเกิดขึ้นนะเรแค่รู้ว่ามันกลังโกรดอยู่พอเราไ่รู้ที่ปังโกรธสัักหนึ่งฝังโกรมืดับของมันเองเราไม่ต้องดับหรอกมันดับของมันเองเวลาฝักโลเกิดขึ้นให้เรารู้ทันฝังโลกฝังโลมันก็ดับเองที่จริงฝังโกฝังโกรธฝังลงอะไรนนมันําหลังคิดไปกินเวลาเราคิดในคิดเร่นี้ไปคิดแต่ไม่ในเรื่องที่พลิพพอใจเรว่าับมาวิตกมวนไปเกิดราคะ คิดไปในเรื่องที่ไม่ชอบอกชอใจเรื่องพยาบาลพิจมเนี่ยเกิดโทสะไอจิตฟูไปเรื่อยจะเป็นสป่าไปเป็นโมหะเพราะว่าั้นตัวสําคัญเลยเนียมันมาจากการคิดของตัวนคิดอย่างนี้ต็โกรธคิดอย่างนี้ก็โลภคิดอย่างนี้ฟุ้งซ่านคิดอย่างนี้หดหู่คิดอย่างนี้เสง่คิดอย่างนี้เบื่อแต่จิตมันมีหน้าที่คิดหน้ามันไม่ได้หรอก อยากคิดให้มันคิดไปแต่พอคิดแล้วเกิดโลดขึ้นมาให้รู้ทันคิดแล้วเกิดหลุดขึ้นมาให้รู้ทันคิดแล้วเกิดโลงขึ้นมาให้รู้ทันคิดแล้วฟุ้งซ่านขึ้นมาให้รู้ทันคิดแล้วหลังเลสงสัยในพัลราสนาใจรู้ทันหลวงปู่ดูลท่านสอนอย่างนี้นั้นคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดส่วนมากไปเรียนคาสอนหลวงปู่ดูลจะเรียนมาได้ครึ่งเดียว เป็ครูบาอาจารย์ที่สอนได้ดีที่สุดเลยที่ทลงเข้าไปของเพจคำสัยวองท่านนั้นคมมาแกและชัดแล้ประสา้นมากแต่คนนี่อจะส่งอาไว้ไดครึ่งเดียวอย่างมากอย่างก็คิดได้ยินได้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่คิดทีร่รู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดก็พยายามจะฝึกไม่ให้คิดแล้วทั้งนี้ท่านบอกว่าต้องอาศัยคิดคิดไปเถอะแต่คิดแล้วนเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันคิดไปแล้ว เกิดลรคเกิดโกรเกิดหลงให้ร no, no like, ู Now, ้ทันค mm ิดไปแล้วเกิดผู้สนให้รู้ทันสิ่งเหล่านี้เกิดตามหลัความคิดมาจิตมันมีหน้าที่คิดแตไปห้ามันเอาไปคิดไปแล้วเกิดสศกเกิดโตเกิดดีเกิดชั่วเกิดโรคเกิดโกรธหลงอะไรที่มันรู้ไปด้ยรู้ก็อะไรรู้ก็บางทนเราจะได้เห็นมันทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางโกรดเกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ความโลภเกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโกรธเกิดขึ้นผ่านมาแล้วผ่านไปความฟุ้งซ่านความบ่นบุ่มผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในหารู้เท่าทันองไปเรยถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเวลากิเลสเกิดถ้าเรารู้ไม่เท่าทันกิเลสจะครอบนำจิตถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้เท่าทันนะกิเลสจิตอยู่ส่วนกิเลสจิตจะอยู่ส่วนจิตจะไม่กระทกระทั่งเข้าดึ้อกันและกิเลสไม่จะดับไปตามสภาพของมัน ทักิเลนนั้นมาจากเหตุเหตุของมันเกิดการตื่นในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจถ้าเราตรงที่เรารู้ทันสภาวะเนี่ยจิตไม่ลงไปอยู่กับการตื่นการคิดเหตุของกษิเลสมันดับตัวกษิเลนมันก็ดับไปด้วยไม่ใช่ตอนเราทําทักษิเดได้นะไม่มีใครดับกษิเลนได้หรอกเหตุของกษิเลนดับเมื่อไหร่ทักษเดนก็ดับเมื่อนั้นแค่เราตรงที่เราไม่รู้ทันกษิเลนเราไม่ได้ปลูกฝี ไม่ได้ทำเท็กองกิเลสจะดับไปยกตัวอย่างเราเราขับรถยนต์เมือชียงใหม่เนี่ยก็คนก็ขับร้ตายเหมือนกันปาดไปปาดมามีเม็ดหลวง่มาเียวเฉียน้องๆรุ่งเทปเลยถูกใช่นไม่ค่อยปัดกับบางอย่งเป็นมอเตอร์ไซค์รถรถใหญ่ๆเป็นกระตุกกรดิกแทบไม่ได้เลย ป, เปัดไปใหนจะได้ลองยัเราขับรถอยู่คนมาปากหน้าเราโกรธไหม อยางไม่โกรหอต้องคิดสะก่อนล้วยังเดถ้าเราาลังใจลอยนะมาปาดหน้าเราไม่ดูเลยไม่โกรอกถูกต้องคิดสั ก, ก, นะออกนะนินะกนะนึ่งจะรีบไปไหนแนะั้วคนไม่มบี่ยไหญาติพ่อแมู่ย่าตายายไม่ับสอนอไคิดอย่างนี้นะ่พ่อไม่ตายแม่ยายจะรอดหรือไ ง, องนั่นกะิคิดอย่างนี้มนะันโกรธสั่เกิมันตามเราบางคิต น, น, นะนี่คนทั่วไปแล้วเราถูกเขาับเราปาหน้าเราจะไปดูไอ้คนที่า ไม่ดูที่จิตตัวเองไปดูเขานะแล้วคิดให่เลยคิดว่าเขาใหญ่โตสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่งปฏิบัตินั้งถูกเขาปาดหน้าปุใจมันโกรธขึ้นมาน่ะมันคิดนิดนึงบางทีเอที่ส่ไม่ดีอะไรี้ความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันที่บางโกรธขณะที่เรามารู้ทันบางโกรธที่เกิดในจิตเนี่ยเราไม่ได้มีคิดว่าเขาในขณะนั้นเรารู้รู้ทันว่าจิตของเราโกรธอยู่ในขณะนั้นเราไม่ได้มีคิดว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องเขาเข้ามาปาดเรา พอเราไม่ได้มีคิดเร่อปารเราลไม่มีเหตุผลางปลุ่มแล้วบางกลุมจะดับนะดับไม่ใช่ข้อเราดับแต่ข้อเหตุผลมันดับแค่เรือเราะเราไม่เติมเชื้อไฟให้มันเชื้อไฟที่ทาให้มันโดดมาเรียบร้การคิดซ้าแล่วซ้ำอีกใครเปยอหักไหมอกหัใครเยรรครเยยกมืมเ อ, อลนนะมเลยกล้าหาญไหเออกล้าหาคนมไม่าเรพวกรไม่เป็นนะชีวิตนน้นะมันต้องรู้จักอกหักบ้างนะถึงนะจะมีรสชาติ เราดูจากปรชีพนีเป็นยั ง, งไงเวลาโหัหากใจมีความทุก์ใช่ไหมแต่วัาทุกตลอดเวลาไหมไม่ตลอดนะแค่คิดขึ้นมาแล้วมัทุกขใช่ไหมอเอาเผลอเผลอไปคุยเรื่องอื่นไปนะไม่ได้คิดเที่มาหาของเราเร า, าก็ไม่โหมหาังั้งนถ้าทังความโหมหากทนะุกข์แสนสาหาัสอะไรพวนีที่ชาโลกเป็นเนยมันก็ตามความคิดมาเอางงั้นตัวคิดเนี่ยตัวต้นต่อด้วยตัวต้นต่ อ, ตอทาให้กิเสมันทำงานขึ้นมา แต่ว่าเราไม่ห้ามความคิดความคิดเป็นของห้ามไม่ได้เราเอแค่ว่าพอเมาคิดขึ่นมนเรารู้ทังกิเลสที่เกิดแต่พอเราตรงที่เรารู้ทันกิเลสที่เกิดเนี่ยเราไม่ลงไปคิดต่อเลเราไม่ลงไปคิดต่อเลยกิเล่มันก็หมดกาลังเหมือนเราจุดไฟมันไหม้นะมันเราไม่เติมเชื้อเพลิงให้มันเราหมุนเข่านะเรใส่คืนใส่ฐานเข้าไปถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟให้มันนั้นก็มันหมดเชื้อไฟไฟมนกระด่างเองเลยไม่ต้องไปดักมันไฟมันกระด่างเองเพราะมันไม่มีเชื้อ เราไม่เิมสารคิดเข้าไปนะคิดร้ายจากคนอคิดจชอบเขาเห็นหน้าคนสวยคนหนึงมเห็นคนสวยเนมามองเขาเนี่ยยังไม่ชอบต่อเห็นนีต้องแปลกความหมายมู้สวยนะวันนี้ตาสวยวันนี้จมูกสวยอิไรทีสวยๆอ่น้อยอย่างนี้ดีย่น้อยอย่างนี้ะใจ่อยชอบถ้ใจมีราคาเามัที่ชอบเาวยเรารู้สันใจที่ชอบทันทีที่เรารู้สันใจที่ชอบเราม่ได้คิดถึงเเรารู้ทันใจกัเรา ขณะเราใจของเราเป็นอารมณ์เรากิเลสของเราเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่ใจเราไปรูเข้าเราไม่ได้เอาโสดุดมันมาเป็นอารมณ์เป็นความรักเป็นความชอบอะไรอะไรจะขาดสะท้าตัวเองกิเลสั้นเราไม่ต้องดับมันถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟให้มันมันก็ดับของมันเองน้าที่เราไม่าได้เติมเชื้อให้มันเราคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดขึ้นนะตรงที่รู้ทันกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เติมเชื้อให้มันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันเราจะเติมเชื้อให้มัน อย่างบ้านเกิดวุ่นวายมีหลายพวกหลเราเราเฟเขาว่าเราเป็นพวกทักสิงคนยังเป็นพวกกำนัถ้าเราตัดคนตัดคิดนะตัดคนตพูดกัคน ต, มค ต, มคนตมคัมแดงยิ่งแไปเรอยเนีเราครู้ทันใจเราชอบคนนี้เรารู้ทันใจเราเบียอคนนี้เรารู้ทันความชอบความเบืจะหนแต่เราก็มีชีวิตที่มีเหตุมีผลนะไม่ใช่ชีวิตในในในในนที่เหตุไรคนถูกอารมณ์ลากเ้าไป เวลาฟังเขาพูดจากเมืองนะเราถูกเขาเราอารม น, นะเราจะให้เราดุแลงมากขึ้นให้เราโทษธให้เราเกลียดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะงั้นเรามีสติรู้เท่าทันใจิตใจของเราไว้ความชอบเกิดขึ้นรู้ทันความเกลียดเกิดขึ้นรู้ทันใจเราไม่ถูกครอบงำไม่ถูกเร้าไปดันั้นหน้าที่เราต้องคอรู้ทันใจของเราให้ดีถ้าเรารู้ทันใจของเรานั่นจะมีชีวิตที่มีความสุขมีความสงบมากมายขึ้น อย่าเราตั้งรถเสร็จตามถนนนั้นเราเห็นใต้โฆษณาเห็นไหมใต้โฆษณาใต้โฆษณาสมาเราความอยากได้ของเราเห็นเร่อนี้เราอยากได้เรามีคิดถึงมันเราอยากได้ให้เรารู้ทันใจที่อยากพเรารู้ทันใจที่อยากแล้วเราไม่พิจิตรถึง้สินค้าตัวนี้ความอยากนี้ดับไปครานี้ก็เลยเห็นผล้วสมควรซื้อมาซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อส่วนใหญ่เราจะซื้อของที่ไม่จําเป็นเนี่ยมาเต็มบ้านไปหมดเลยกับบ้านนี้ไปรสำรวจที่บ้านนั้ มีของอะไรที่ไม่ได้หยิบมาใช้หนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยเรามีแจกคนอื่นสนะบ้างสังคะมจะได้ต้อมเย็นะวันนี้นะเราเก็บขยะไปพรมว่าง เ, เลยไม่ได้ไปใช้บางทีเจ้าเสื้อสวยนะไม่ได้ดูตัวเอ ง, งตัวยังตุตง่มสามโค้ตงตมใหญ่เจาเสื้อตัวนี้เียมันสวยถุกใจไปซื้อมักะว่ามันะยังยจะพอโคยาวนะอย่างนี้ก็เป็นสุขกเลสก่ ความโลภหล อ, อกมนะันหให้เราอยากได้ซื้อมันใช้ไม่ได้แั่นอะไรไม่จำเป็นและประสาทไปนะใช่ไหมคนเขามีความสุขแล้วนะ ถ, ถ้ามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยชื่นดมชื่ใจเนี่ยรู้ทันจิตของเรานะันก็ไม่อยากจนมากถ้าเราไม่รู้ทันจิตเนี่ยถูกโลภครอบงนะเราจะจนแน่นอนเลยเห็นอะไรก็อยากได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะจนแน่นอน ถ้าเราไปรู้ทันเนความโลภมันเกิดในใจเรารู้ทันรู้ทันไปแล้วความโลภมันจะดับไปไม่ครอบหลักจิตมันครอบหลักจิตไม่ได้ก็เลยเหตุผลสมควรจะซื้อมันก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อใช่เหตุใช่ผลนะนั่นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตได้เราจะมีชีวิตที่โปร่งที่เบาที่สบายถึงอยู่กับโลกก็อยู่อย่างสบายได้จะภาวนาให้คนโลภอะว่าคนนี้มาแล้วก็ต่อยอดจากตรงนี้ไป คือการรู้ทันกิเลสในคิดในใจของเราไม่ได้ลัง น, นากรู้ทันกิเลสที่เกิด ใ, ใ, ในใจของเรา บ, บ่อยๆจะช่วยให้เรามีชีวิตในโลกนีอย่างมีประสมบมากื่อนทีกข์น้อยลงอย่างคนอื่นต้อโงห่หนเาเจ็บปวดนานเพราะเราประเดี๋ยวเดีย ว, วเรเห็นเกิดดับเกิดดับไปเสียไห า, ายไปทุกข์ความคิดเท่านั้นเองใจเราอยู่แบบแบบรู้สึกตัวไม่ลงไปในโลกของความคิดกิเลสฝังเร้างสมอะไรไม่มาเเดี๋ยวมันหาย ต่ตัวอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผนไปผ่า น, าาา น, นาดูนะฐานหน้ากันเงินอะไรก็จะดีขึ้นการพบเพื่อนฝูก็จะดีขึ้นเนี่ยแล้วพบใครสักคนนะแล้เราก็ใช้ใอ้คิดเห็ของเราเอาแต่ถามใจของเราเองนล่านไปไม่มีใครมาอยากพบเราแลา้วรู้ทันคิดห ข, ของเราเนี่ยเป็นคนหน้าคมในครอบครัวเราก็จะล้งเย็นเย็นสุขนะ ตนในบ้านเราถ้าแต่ละคนรู้ ท, ทันกิเลสของตัวเองได้นะจะ ร, ร่มเย็นมากเลยถ้าแต่ละคนสมกิเลสนสมีกโลภอยากได้คนเื่นรยาก็โลอยากไปหาคนืยเนี่ยนเั้นเงินมันุ่ น, น, นวาย ล, ลูกไป่าวิ่งถ้ า, า, าเราพยายามนะฝึกของเราไปราชวนคนในบ้านเราเนี่ยให้มาคอยรู้ ท, ทันกิเลสของตัวเองไหบ้านเราจะร่เย็นนะสานารถการเงินก็นกนดี ฐนนานะการงานการครอบคู่คนใดก็จะดีไปหมดเลยชีวิตก็จะต้องเงยนเ็นเฉนชุกมากขึ้นมากขึ้นาตัวที่ทําลายความสุขความสงบของเราต้องกินเองนี่สําหรับบางคนหนะึ่งไม่ได้พอใจแค่ความสุขความสงบทางโลกแค่นี้อยากได้มากคนหนึ่ผ่านอยากพ้นโลกไปเลยทำยังไงต้องมาทุกขันที่จิตอีกแหละถ้าเม่อไหร่วันใดคนกิเองนะก็หม ด, ด, หมดไม่ต้องเกิดอีกแล้วคนจัดการเรียนไล่ใจเกิด ได้นิรันดร์เลยน่าวมไปเลยก็อาศัยการที่เราไปดูทันทีเดที่เกิดในจิตในใจอเราเองเราจะเห็นเลยว่าความโกรธเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภเกิดช่วคราวแล้วก็หายไปนะความดีเกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปเหมือนกันอย่าวบางทีทัานใจจะมาฟังเทศอย่างวันนี้อยากมาฟังหลว่อเราเทศน์มานก็เคยฟังบางคนไม่เคยฟังอยากเชิญมฟัง มาฟังสักภาคหนึ่งอยากกลับบ้านเนี่ยใจมันไปแล้วใจมันไปแล้วแค่รู้ทันเลยก็ไปนานไม่ได้เด็กเลยว่าทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วเปล่าความโกรเกิดขึ้นก็เกิดชั่วเปล่าความลภเกิดขึ้นก็เกิดชั่วเปล่ความสงบเกิดก็ชั่วเปล่าความฟุ้งซ่านเกิดก็ชั่วเปล่าเนี่ยความดีเรื่องความขยันหมั่นเพียรตั้งใจว่าจะปฏิบัติอยู่ได้ไม่นานตั้งใจจะปฏิบัติ วนนี้อยากจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงนั่งในห้านาทีขี้เกียจสักความตั้งใจขยันปฏิบัติตาไม่เพี้ยงกลายเป็นความขี้เกียจในความขี้เกียจนั้นถ้าเราดูเป็นนะความขี้เกียจก็อยู่ช่วงตาเราก็ดับเหมือนกันแต่เกิดดับเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างอยายมารู้ทันกีิเลสที่เกิดในใจเรานะรวมทั้งอย่างอื่นด้วยที่ใจเราไม่ได้มีแต่กิเลสอกบางทีตรงที่กิเลสหายไปมันก็เป็นกุศลขึ้นมาได้ บางทีก็เป็นกลางกลางที่ก็เป็นสุขบาที่ก็เป็นทุกข์บางทีไม่สุไม่ทุกข์ใน้เราไปดูทานความรู้สึกในลายๆชนิดที่เกิดขึ้นที่ใจเราคนไหนที่โมาหรือดูไปจิตนี้มี2องชนิดเท่า้นมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนที่โลภก็ดูไปจิตมี2อย่างจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภคนไหนฟุ้งซ่านก็ดูไปจิตมี2อย่างจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านดูไป ตัวม่ไันเร่ร่อนต่อไปปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นของชัวคราวทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นต้นถาวรเลยความโกรธเกิ ด, ก ด, ช, ดชั่วคราวแ MM ล้วก็ดับความรักเกิดชั่วคราว MM แล้วก็ดับความดีเกิดชั่วคราว MM แล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวทั้งหดเลยไม่มีอะไรที่เป็นของถาวร ถ้าใจมันยอมรับความจริงได้ถ้ามันเห็นความจริงได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต่ำเป็นธรรมดาใจเราจะเข้าสู่กระแสธรรมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเราอย่าไปวาดภาพโลกที่ลื่นที่ลั่นพระโสดาบันเป็นอะไรที่ประหลาดมากพระโสดาบันก็เป็นคนอย่างพวกเราที่เดีอย่ววาแต่พระโสดาบันในภาพระอันก็เป็นอย่างพวกเรานี้เองแต่ว่าคุณภาพจิตไม่เหมือนกันจิตสองเราไม่ได้รับการอบรมมากพอ เราก็เห็นว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราวิจิตร่างกายนี่คือตัวเราควนะามสุขความรู้ก็เราความโลภความโกรธความหลงความรู้สึกทั้งหลายนี่ก็ความรู้สึกของเราเองนะจิตใจนี่ก็คือตัวเรารเห็นเรืแล้วจะมีเราจริงๆริงพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นวนะ่าร่างกายมีอยู่นะแต่ไม่ใช่ตัวเราความสุข young, ควาคนนมรู้มีอยู่นะยก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลนักรู้ศรมีอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตมีอยู่จิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ทุกอย่างเป็นแค่ธรรมชาติหนึ่งเป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่แตกสลายได้ด้วยความร้อนความเย็นเลยพุทธิความสุขความทุกก็ is is เป็นธรรมชาติอ <serv> ย <ie lang> <if> <ve> ่างหนึ่งความดีความชั่วเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งจิตใจก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้จิตใจเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เราบอกเลยว่าสิ่งที่จิตไม่รู้เข้ามีจิตแค่อารมณ์เราก็ต้องควบคุม เราจะเห็นว no no ่าร no ่างกายมีอยู่แต่ไม่ใช่เราสุขทุกข์มีอยู่ไม่ใช่เราดีชั่วมีอยู่ไม่ใช่เราจิตมีอยู่แต่ไม่ใช่เราเนี่ยท้าสดาบันท่านเห็นอย่างนี้ส่วนของพวกเราเนี่ยมีร่างกายที่ร่างกายของเราสุขทุกข์ของเราดีชั่วของเราจิตคือตัวเราหรือรู้สึกเนี้ยรู้สึกไหมในนี้มีเราคนน่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กเด็กก็เป็นเราคนเดิมไปคิดอย่างนี้นะรู้สึกไหมเราวันนี้กับเราตอนสิบปีก่อนยังเป็นคนเดียวกัน เนี่ยความรู้สึกของกุณฑชชนมันถ้าฆาส่งดาบอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่ขันห้างมีมีรูปมีร่างกายมีความสนุกมีความปลุกปลีปลุกชั่วมีจิตใจจิตก็คือก็วิญญาณของขันห้างแต่ละอันแต่ันมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันทำงานได้เองนะแต่ไม่มีคนทํามันทําของมันร่างกายก็ทําหน้าที่ของร่างกายความสนุกของทุก็ทำหน้าที่ของสนุกของทุก ตีชั่วรอบหลดหลงก็ทำหน้าที่ของตีชั่วรอบหลดหลงจิตก็ทํททาหน้าที่รู้อารมณ์ ร, รทางตารู้ทาหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายทางใจมีแต่การทาหน้าที่ของวเองมีการจะทําแต่ไม่มีผู้คนทำนะมีขันท่าอยู่มีกายมีใจอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเนี่ยถ้าวันใดที่เป็นพระโสดาจะรู้สึกอย่างนั้นเมื่อมันไม่มีเจ้าของมันไม่มีตัวเราบางครมันจะอยู่ที่ไหน ปัจจุบัก็อยู่ที่กายใช่ไหมอยู่ตางร่างกายอยู่ในตัวนั้นไปมันปัจจุบมันอยู่ที่ขันธ์ห้าอยู่ที่ขันธ์ห้าเพราไม่ใช่ตัวเราเวลราร่างกายแก่ร่างกายแก่คนซึ่งเป็นกุฎชนจะรู้สึกว่าเราแก่แต่ถระโสดานะร่างกายแก่เห็นว่าร่างกายมันแก่ไม่เกี่ยวกวับเราไ ม, ไม่มีเราร่างกายมันเจ็บคนทั่วๆไปกุฎิชนก็จะเห็นว่นาเราเจ็บ ถ้าโสดาเห็นว่าร่างกายต่างๆที่เจ็ไม่ใช่เราเจบเวลาตายคนทั่วๆไปเนี่ยว่าเราก็ตายถ้าโสดาเห็นว่าร่างกายยันตายเวลาสมหวังเวลาผิดหวังคนท่วไปก็เราสมหวังเราผิดหวังถ้าโสดาเห็นว่ามีความสมหวังมีความผิดหวังแต่ไม่มีเราความสมหวังความผิดหวังของพระโสดาเองมีแต่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวเราท่านจะก้าวมาถึงตรงนี้ได้นั่นก็หัน ดูไปอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละอะไรเกิดขึ้นในใจิตในใจก็รู้ไปด้วยจนท้ายจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นตรงที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นนั่นแหละจะไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่เป็นอรรมชาติฐานรูปอัรู้อัรเตอย่างนี้ไปคนงคนใช้เวลาเจปีบางคนก็เจ็ดเดือนบางคเจวันบางคนไม่ถึง น, <S <S น้อยกว่านั้นก็มีก็เข้าใจธรรมะเป็นเประดับต่างๆในสมัยผูธ้ธต่าง พระพุทธเจ้าแสดงมหาสติปัญญาสูตรให้ชาวครูรู้ฟังชาวครูเนี่ยเป็นชาวกัมเอิงที่มีบุญบารมีมากนะสะสมการเจอสติเจริญปัญญามาจากพระพุทธเจ้าก่อนๆหลายส้วมพระเจเจ้าของเราเขาไปเจอชาวครูนั้นที่สอนธรรมะสุดยอดให้เลยในเรื่องของสติปัญฐานสามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ชาวครูเขาก็พยายามทนะ เวลาก็เจอกันพวกเราเวลาเจอกันจะทักทายกันสบายดีเหรอใช่ไหมนทักทายกันชาวปรุรุจะไม่ทักกันแนตะ่ปรุรุเจอกันจะทักทายว่าเป็นยังไงร่างกายยังทุกข์พอทนได้หรือเขาเห็นหน้าก็เป็นตัวทุกข์นะชักของดีหรอกหรือเวลาทักทายกันไงเธอไปเที่ยวไหนไปดูหนังที่ไหนมากขาจะถามว่าวันนี้เธอจเจริญสติปัญญาหรือยังเนี่ ชาครูนะั้บารมีแก่สาขนาดนั้นนะพวกเราเนะี่ยจะไม่คอยฝึกพนจะไม่พยายามปฏิบัติที่ชาครูนะั้นพยายามปฏิบัติหมดเลยนี่พวกนี้บารมีเขามากเนยพริทธจ้าถึงสรุปว่าบางคนนะั้นเจปีก็เป็นขาราชารบางเ็ปีบางคนไม่ได้อาห า, า, ารก็ด้ธนาคาบนะบางคน6ปีก็เป็นขาราชารหรื อ, อารานาคารขะว่าคนดีเดียว บางคนเจเดือนก็เป็นพระอหันตเลลวลานาผาางคนเวันบางคนวันเดียวได้อรหันไดนนะะ้หนาผาอันนี้สมของการที่มีสตริรู้กายรู้ใจเนี่ยที่หลวงพ่อสอนนี่แหละถ้าพเราบา ร, รมีไม่เท่าชาวตูรู้แค่ทักทายกันเราก็รู้แล้วว่าบา ร, รมีแค่ไหนเจอหน้าหลวงพอหลวงพ่สบายดีไหมครับะพูดแบบไม่ชนะปฏิบัติเลยถะนั้นปฏิบัติหลวงพ่อย่ า, า, ทายงทุกขอ์อดทนไหวไหมขันเป็นยังไง ไม่ถามว่าหลวงพ่อเป็นยังไงนะก็ไม่มีหลวงพอ่อแต่ว่าทัตขันธ์มันเป็นยังไงเนี่บันมีของเรายัี่ไม่เท่าของเขาอะนะเพรนเจ็ปีเนี่ยได้โสดาขอาา้อูลนานๆแล้วเะ็่าใจร้อนนะเจ็ดปีเอาโสดาให้ได้ก็แล้วกันบางคนเจ็เดือนบางคนเจ็เวันเอาไปได้โสดาได้สรารตาคาไป้อย่างดีถ้าโสดาถ้าสรารตาคาเนยธรรมาทาได้นะไม่ยากนกะ็ ถ้ามีสติรู้่มันอย่างที่มันเป็นรูปกายรูใจไปด้ยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจล้วรู้ไปเลยในส่วนมันก็เห็นในทุกอย่างเลยแล้วกระดับวันใดที่มันดูตัวนี้น้ำจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถานบอนัจะได้พระโสดาบคละว่าเขาทําได้ก็สัจธรรมขาคละว่าที่ยังทำได้นะเราถึงขั้นจะขึ้นอันขั้นเนี่ยคละว่ายากแล้ว ถ้นนานาคาเอาชนะกรรมใดแต่คารวะเนี่ยไม่ยอมชนะกรารมไปตามใจตามการไม่ใช้เรื่องเส้งเดียว้ยวนะอยากกินใครกลางคืนอยากกินข้าวั้นี่ไหมกรบเือซินี่ไหมใครก็คืนตอนก็าคืนตื่นตึกตึกตอยากกินข้าวก็เที่ยวไปหาอะไรกินขับรออไปอะไรเนี่ยคื อ, อต้องซื้อโจงซื้ออะไรกินเยนี่นมันตามใจเอง จำใจกิเลสอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากได้ของสวยของงามก็ไปซื้อมาจำใจกิเลสจำใจตามเพราะงั้นโอกาสที่ชนะตามเนี่ยยากมากสาหรับคารวะสู้ตามไม่ได้นะตาเนี่ยไม่มีฝังสมวันไม่ตามอยากกินสมมติวันนี้อยากกินข้าวผัดได้แต่โจอย่างนี้นะอยากกินน้ําร้อนก็ได้น้ําเย็นอยากกินน้ําเย็นได้น้ําร้อน พี่อย่างนีจริงๆนะมันไม่ได้สมหวังเลยอยากได้ผ้าสวยๆไหมผ้ามุกหรือก็มีผ้าสวยอยากได้ับเราได้ผ้าขาดๆทุกๆปากาอะไรอย่างนี้นอยากแล้มันก็ไม่ค่อยจะได้ความอยากเกิดที่ไรก่อนทุกเกิดทุกที่เลยอยากกิเข้าเดี่ยวตัวดําสมุนนั่นโอนึกแค่ใส่บาตรสักทีเลยนะป้าไปด้วยจากน้ำผ้ามุกหรือท่านบอกว่าถ้านจะรูปเศรษฐีเชียงใหม่นี่เลยป้าแม่รวยมากเลยนะไม่รู้ตอนนี่ท่านไปอยู่ไห น, น, นเลยถ้าเจอที่ทปีนัาเป๊ ท่านบอกว่าเมไปบินสบายแล้วอยากอยากจิ น, นใช่ได้ข้าเหนียวตัวดำอยากชันไม่เคยได้เห็แนแต่คนอนื่นก็ได้แล้ววันหนึ่งเราเห็นเขามีตั้งหลายถุงเลยเวลาคราสกรรมฐานบินสบาิจะเดินเตรียมแ <c oughs> ๆๆถ่ไปใส่ใส่ใส่พอถึงข่าน้งหมดพอดีเลยโอ้โหหมดเลนะแล้ ว, วก็เจ็บช้ามากเลยยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เจ็บมากเจ็บสุดขีดสัดโต่งวันหนึ่ไปบินสบาย ได้ข้าเหียวตัวดบมาแต่ว่าข้าวตำทานเนีน่ไม่ใช่ว่าพอได้มาแล้วมันกิดคนเดียวนะวก็เ ป, ปน็นเจร่กันปรากฏว่าข้าที่ร่างหัวกย่วันจิตลข้อเดียวตัวดำสูงนี็ไปให้ ว, ว่านั้นนะ่นอนร้องไห้เลยพวกเราอยา ก, กิน้าเดนียวตัวดำแล้าอร้องไห้เยไหมเป็นหรอไซึ่งกินสักกิโลหนึ่งก็ได้นะนี่ร่งั่งเวลากล้ามเกิดขึ้นเแล้วมันพู่อย่างเดียวเลยพอพุกว่าเข้ามักข้าใเนี่ยมันเป็นโทษ กรรมสำหรับรา้นะเป็นกรรมมาโทษแต่กรรมสำหรับโยมมันเป็นกรรมมาคุณแต่โอกาสที่ชนะกรรมมาคุณนี่ยากมากนะสู้พวกรากไได้ราเรมีแต่กรรมาโทษถูกทอดยกไปอย่างแต่ถกตเป็นเทศที่ต้นที่นี่นะบางทีเขาก็เตรียมไว้เรานั่งคุกนั่าไปถึงร้อนเป็นทีเลยเขายกน้ำร้อนใส่ผีเล็กเกมาตักน้ำร้อนสองถ้วยนะถ้วยเล็กถ้วยบุ๋มถ้วยใหญ่เลย ก็โอยู่ น, น้ำมากเลยนะอยู่ร้อนจีคือซ่อนต่ไปแล้วก็ตากของตากไว้ก่อนเดี๋ยวกลาวัเย็นน้อยจะได้ออกมาชาบสักหน่อยนะพอมันเริ่มเย็นเขาก็มามองจริง น, นะยกออกไปเย็นต่เดี๋ยวเปลียนให้ใหม่โดนลงไม่ได้ชัดน้ำแล้วเนี่ยคารวะจชสู้รับไม่ได้ตรงนี้เลยรับแ้ต้องวนโคโรสั้ น, ต, น ต, าตามใจกิเลสไม่ได้หรือมันไม่มีใจะได้ตามใจ เพราะเวลากาเกิดขึ้น่เห็นจะทุกนนะข์เนี่โทษนะคารวะเวลากาเกิดขึ้นเนี่ยไม่เจะเป็นอะไรเยนะอยากได้อะไรค็ไมมาเอาไม่ซื้อเเอนะอยู่ไมได้ี่หลอกเขาต้นเขาเขาจะทําได้อีกหลายอย่างแ้เลยขันธรรมะขั้นสูงนะครวะสูงตาไม่ไหวรกแต่ธรรมะขั้นต้นธรรมาธรรมดาานเนี่ยถ้าคารวะปฏิบัติแ้ค น, นที่มาสูาไม่ไหวนะ เพราะอะไรเระจิตของคารวะเนี่ยแขวนตลอดเวลานี่แปลงขึ้นแปลรลปแปลงขึ้นแปลงลงนะวันหนึ่งวันหนึ่งในแขวนนับทางไปเพื่อนเนี่ยถ้าเรามีสติตามจงใแเราจะเห็ น, หนกเกิดดับใดทวานันส่วนต้านนาะที่บินสบายมาชั้นข้าวเสร็จน้วเกิดจงกรมนั่งสมาธิใจก็เวยที่สงบอยู่ใน้ทวานนันทั้งคืนนะไม่ค่ายจะเห็นเกิดดับเราไม่เห็นเกิดดับไม่ได้ทามีปัสนาก็ไม่ได้ทำในผลสตินเบืองตอนนะียคารวะไม่แยตานนะ ยังไม่ต้องรีบมาบวดหรอกยไม่ต้องรีบวดนะได้สัทธาคาค้อยมาวดดัวดได้ยางดีหรือได้ชนะคาค่อยปวดก็ ย, ย่างดีหรือไม่อยากปวดเลยก็ได้เป็นฆราหันไปเลยแต่ว่าโอกาสมันน้อยโอกาสมันน้อยคราบา ท, ที่บรรลุฆรหันก็เลยน้อยถ้าในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ก็เป็นฆราหันแต่ว่าไม่ใช่ทำไม่ได้ เพราะว่าการปฏิบัติจริงไม่มีรางไม่มีครรภ์ว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ครัมีแต่จิตเสมอกันอย่างนี้เลยใครรักดีก็พยายามทําไปทำพยายามทําเลยทําถูกด้วยสมบรรลุเป็นคําำต่างลำดำไม่พยายามทําไม่อยากทําไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติผิดก็ไม่ได้ปฏิบัติถูกนะแต่ขี้เกียจปฏิบัติถูกนานๆทําดีก็ทําไม่ได้ การทำให้ถูกนะรู้กายรู้ใจต่างๆเป็นจริงรู้บ่อยๆรู้ให้มากที่สุดที่จะรู้ได้เรู้กายรู้ใจต่างเป็นปจริงนั่ใจของเราแข่งเดี๋ยวโลดเดี๋ยวโกดเดี๋ยวโลดเดี๋ยวดีเดียเด๋ย ว, รยวไรคอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ปไปทําำให้มันดีไม่ต้องทําให้มันดีนะไม่ทําให้ดูอย่างที่เหมือ น, เ, นเด็กเด็กๆเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เด็กๆเกนี่ยมีจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดา จิตของเด็กนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวเขสูญเดี๋ยวก็าทุกข์ไดเดี๋ยวรอบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวลงนึกถึงตอนเราเด็กๆได้ไหมที่เราโปรดกับเพื่อนนัโกรธร้อยปีอย่ามันดีร้อยชาติโกรดโกรธแป๊เดียวเดี๋ยวก็ดีแล้วจิตโทสะอยู่ในชวงเปล่าวอหนรอยเลยที่กำลังเสียใจนะราอห้น้าตาเปียกแกมเนแก้มยังไม่ทันจะแห้งในัวรอะได้ละจิตทุงมันเรี่ยนในตามธชจิตของเด็กนะนไม่ใช่มันสลวงเต็งคำว่ามัน จิตขอต่งนั้นมันเปลี่ยน hopeful, เป็นธรรมชาติแต่ว่าเต่กยังไม่มีสติพวกเรานักปฏิบัติมีสติแต่มีจิตที่ไม่เป็นธรรมชาติมีจิตที่ดีเกินไปจิตที่เรียบร้อยสํารว้ erecht? จิตที่ไม่เป็นธรรมชาติน่ะมีแต่สติแต่มมไ ม, ม่มีจิตที่เป็นธรรมชาติเต่งมีจิตที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสติถ้ามีจิตใจที่เป็นธรรมชาติแล้วมีสติตากรู้ไป มันผลจะดีไปไหนไม่ดีไม่ได้หรอกใช้เวลาไม่นานนะถ้าจะเข้าใจธรรมะเป็นนะนั้นดังนตองอดทนนะอนแนละ้ต้องคอรู้ไปดูต่อไปทิเลสเนนะีมันเกิดขึ้นมานองร้างไปร้างไปแล้วปัญญาเหมือนแกะกลากขึ้นเม่อจะเห็นเลยไม่มีเราต่อไปปัญญาไหมืแกะกล้างก้นดนะีมันล้างทิเลสที่ละเอียดที่สุดทิเลสที่ละเอียดที่สุดเนะี่ยคือเป็นตะปูหมหอ นหัน้าของโมอะชื่อว่าอวิชามเป็นที่นินาวิชาไหมอวิชามเนี่ยคือโคตรเงาของกิเลสคือรากเง า, าของกิเลสเลยสหรับดที่ล้างอวิชาไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายสายเกิดอีกถ้าล้างอวิชาได้ล้างพอล้างแม่กิเลสได้นนะตัวนนี้เป็นพ่อเป็นแม่กิเลสเลยจะไม่เกิดอีกแล้วสำหรับใดที่ยังไม่ได้ทำลายอวิชาไมไปนะยังเวียนว่ายสาเกิดสมื่อไหร่ทำลายอวิชามได้กาควรจะการเวียนว้ายสเกิดที่จะมีแต่ความสุขนะ มีความสุขมีความสงบมีความรู้ตื่นเบิกบานไม่ต้องรักษาเลยดีทั้งวั น, นั้นคืนไม่ได้ไม่มีอะไรเข้ามาหลุแต่งจิตได้อีกต่อไปเลยการสิ่งที่มากระทบเนจะต้องแต่ขันนะจะเข้งมาไม่ถึงจิตรอจิตจะสว่างแจอยู่ไม่มีอะไรกระทบได้เลยจะทำลายาวิชาได้ก็อาสัยการรู้ทันที่ลงความสัมนี่แหละรู้ทันเห็นแล้วตัวอย่างเกิดระดับตัวอย่างเกิดระดับน ะ, ะบนะแล้วไจะรู้ว่า ไม่มีตัวเราไก่นี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแล้วปัญญาก็ดูต่อไปเราดูซําแล้วส้ำอีต่อไปแล้วถึงสุดจุ ด, ส, ดสุดยอดที่จะทําลายอาวิชามันจะเห็นเลยไอ้ไก่ไอ้ใ จ, ใใจใขันห้างไอ้ที่ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วไม่เป็นอะไรปัญญาที่แก่รอบจะเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เลยถ้าเมื่อไหรเ่เห็นขันห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยจะล้างอวิชาพัเราไม่รู้จักมุก่ง เรียกว่าไม่รู้จักอริยสัจไม่มีวิชาไม่มีวิชาอยู่ทําอะไรเรารู้ทุกข์แจ้งแจกรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์แจ้งแจกรามผูกพันในขันธ์ห้าจะไม่มีเพราะความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่มีความอยากให้กายให้ใจคนทุกข์ไม่มีทันทีที่รู้ทุกข์แจ้งแจกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายใ้ใจนี้เป็นทุกข์ สมมุทัยคือความอยากจะไม่มีต่อไปมันจะอยากทําไมอยากให้กายให้ใจเป็นสุขคนทั่วไปก็อยากอยากให้กายให้ใจเปนตัวทุไม่คนทั่วไปอยากคนซึ่งตัญญาแก่รอบน่ะไม่จะไม่มีความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจเนตัทุกข์เกิดขึ้นโดยพัวทุกขแจ่มแจ้งเลยว่าการใจนี้เป็นตัวทุกข์รายเดี่ยวสเกินไปที่อยากให้ตัวทุกข์กลายเป็นตัวสุขหรือให้ตัวทุกข์หมดสภาพไปเป็นตัวทุกข เหมือนไฟเป็นตัวร้อนไฟจะต้องร้อนนะเราจะไปอยากให้ไฟไม่รอนไม่ได้ขันห้าเป็นตัวทุกยังไงขันห้าก็เป็นตัวทุกไม่มีทางแปลงเป็นอย่างอื่นจะได้นี่คือสังจกักไม่ใช่สังจักธรรมดาเปนะ็นสังจักระดับอริยะสัจักเลยว่าขันห้าเป็นตัวทุกถ้าจิตมันรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกแล้วนะเรียกรู้แจ้งในทุกขสษาแล้วเสร็จชะละสมัย อัตดนมัติน่ะจะไม่มีตัณหาไม่มีความอยากเกิดขึ้นอีกเลยรู้ทุกเนั่ยแหละละสมุทัยไม่มีสมุทัยไม่มีตัณหาไม่มีความอยากเกิดขึ้นอีกแล้วสันทตที่สมุทัยถูกละนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้ตนต่อหน้าท่อตาเพราะนิโรธหรือนิพพานคืออะไรนิโรธหรือนิพพานคือสภาวะที่สิ้นจากตัณหาไม่มีตัณหาตัณหาก็ไม่มีเชือเ้อเพื่อวิชาให้เกิดอีกเนี่ยทำลายทำมาเป็นทอดๆเลยอยู่ที่รู้ทุกเนี่แหละ รู้ทุกเมื่อไหร่เวลาสมุทยเมื่อนั้าสมุทัยเมื่อไหร่เแจ้งนิโรธนั้นขณะที่รู้ทุกาสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละเกิดอริยมรรคงั้นาการรู้ทุกาสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญ ม, มากเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนี่เป็นความสามาย์สุดๆของธรรมะนะคิดไงคิดไม่ออกเลยนะมันเหมือนโลกกระถานะถล่มลงต่หน้าต่ตาเราเนเหมือนโลกถล่มลงต่อหน้าต่ตาเราแ ล, าลาาะไม่ถึงเลยนะ ตรง น, นั้นใจจะถอนผิดที่ร้ายแรงที่สุดออกจงใจได้ด้วยการรู้ทุกผิดที่ร้ายแรงที่สุดในใจเราก็คือตัวอวิชาอาวิชาเป็นตระกูลโมหนะเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอวิชาตัวเดียวนี่เลยเราให้เราเป็นคนดีก็ได้ก็มีอวิชามนะันจึงเกิดเจตนาที่จะทําดีก็ได้กนะ็มีอวิชาจึงเกิดเจตนาจะทําชั่วก็ได้ ก็เมียวิชาถึงคิดเจตนาจะทําความว่างก็ได้ไม่ดีไม่ชัว่ววิชาตัวเดียวเองจะรากเน่าของความหูุดแลกทั้งบุญทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยมายจากรากเดียวกันรากผิดเลยรากวิชาเลยป็นรากผิดเลยงอกขึ้นมาทั้งดี้งอกขึ้นมาทั้งชั่วเลยดังนถ้าวันใดถอนตัวเดียวจากใจได้เน่ว่าหมดวิดส่งในใจแล้ว แใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจเลยความทุกข์จะเข้าที่กายเท่านั้นแต่ไเข้าที่ใจอีกต่อไปนะต่อไปก็จะมีแต่ความสุขนะเรารู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงจริงการทำจริงจริงพระยาสงฆ์มีจริงจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์นะจะเป็นเพลาเดียวกัวบพระพุทธเจ้าพรทํารพระยาสงฆ์เพลาเดียวเันทั้งหมดเลย อดทนนะต้องอดทนสอนที่ไรก็ต้องบอกว่าต้องอดทนพยายามดูดูบ่อยๆอดทนต่อความขี้เกียจดูแรกเลยต้องทนไปขี้เกียจขี้เกียจก็ควรดูดูมนทุกวันทุกวันจนเบื่อวันนี้ไม่อยากดูเบื่อเบือก็ดูเบื่อก็รู้ว่ากําลังเบื่อเบื่อเป็นโทสะให้รู้เข้าไปท้อใจก็ได้บางวันก็ท้ ling, ท e mm. อนะท้อก็รู้ว่าท้อไม่เลิกหรอกขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจไม่เลิกหรอก เบื่อเรื่อไม่เมลิกเราดูเข้าไปสุนท้ายกิเลสมันทนกว่ามดนรู้เราไม่ได้นะใส่สติใส่ปัญญาใส่ความอดทนแล้วเรียนรู้มันไปวันหนึ่งเราก็ถอนผิดสองกิเลสองแกก ใ, ใจได้ตอนธถอนเงาตัวสุดท้ายตัววิชสารถ้าทำใจแล้วเราสุจันไม่เห็นอะไรสุจันขนั้น ตับต่อไปโศกันบ้านอรรมวเส ก, การครับครัองค์ภาวนาที่ขาดอะไรบ้รางเราไมเลยนะเหรเลยจะให้ติ น, นึ่งนั้นนะติดไส้กรอกอะไรติดสกรอกว่าดิติดไส้กร่กหลับคอตินี้ตอนนี้นิ่งไหมตอนนี้น่ะตอนนี้เจอลวงพอ ใครเจอแล้วกตัวแขงหเลยเป็นธรรมดานะยิง่งคนที่นั่งในแกอย่างเนี้ยนะเราันไปไมอย่างนี้นะนนใจมันเกิดธรรมชาติเกิดสุดเก่วบธรรมดาใช้ใจธรรมดานะเรารู้ไปที่ท่านเคมใช่ได้ลรอเหตุว่าตอนนี้รเราเิ่นธรรมชาติเราผมพร้อมจะเป็นขาเนี่ย <laughs> ผมรู้สกยังภาวนายังไม่ค่อยดีพออยูาเนี่ยเราพยายาอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปคิดถึงเรื่องอุโยนการอยู่กับปัจจุบันมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนันจะเป็นตาที่สบายเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะโอ้ข้าเรือร้อนเลยอยู่เลยนี่ยลงรู้ลงสภาวรู้ลงปัจจุบันชีวิตคนเราสั้นนิดเดียวในวันตรากนเียนตายคกิ นังผมดับชาติทุกทวนชาติผมที่จะได้เจอพระพุทธศาสนาเนี่ยมีน้อยนะชาตินี้มีโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วได้ผมท่านแล้วไม่ได้รู้อไรเราถ้าผมผมศาสนาพระุทภูมิเนี่ยครับผมแต่พอมีวางพระพุทธภูมิจะต้องเรียนเป็นภูมเขา ก็ต้องทนได้มากนะชอบเลยิญติเจริญปัญญา้มากบางทีมันมันก็ทอเอาเวลาเราตรว่าเราต้องสร้างคาเยียมใเช่คนจักนไแต่ว่าก็ต้องแข็งขับ <c oughs> คือยังไม่ได้รับข ย, กกนนยกักนะก็ยงริได้เวลาอยู่ใใที่ใจจรินใจทีกล้ากระทัง้าลงจรกนนะ กล้ารำบากแสนสาหารนะัรแวเพืช่วยคนอื่นเลยใจดีแค่เพีแงเท่านั้ น, นะนะเทียไปพุธป่ธภูมรรอดตามส้างสถานพรปินกลาวใหม่ใลายสปีแนละ้วมันมีรถตู้มันเป็นเคือบานนะมั น, มนที่ชนกันโตสี่แสปารสถานพระปินกลาวนะแดกปินกลาวไฟไหมมีจราจอรอยู่คนหนึ่งนะ ไฟทว้วิ่งเข้าไปฝ่าไฟเาไปจะไปลากเล็ก อ, อกมาลากออกมาคนแรกๆก็ตึงออกมาไม่ได้คนหลังๆเรา่มออกมาเยอะไฟมันท่วมอยู่นะนแะแกก็ดึงเด็กออกมาตัวเองแล้ถูกไฟลวกพเทเลยนะแล้วแกก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กนเงียบเป่เคิดว่าไม่มีเด็ก อ, อยู่ราว่าเสียเด็กติอยู่ในไฟตายคนหรือ2คนแต่ละจอดกด็เสียใจมาก บอกถ้ารู้ว่ายัางมีเด็กอยู่เนี่ยจะเข้าไปอีกเนี่กลาฝ่ากองไฟเข้ไปอย่างนี้นะั้นอันกล้ามมันมันก็กล้าอยู่ประมาณเจนะ็ดสิบไปเอร์เซ็นย่งไม่จะทำไปอย่างกน่นหรยังกงลัวตอระยู่แต่น้ำไม่ได้อยางกน่นหรอคือจิตที่จะได้รับไย่างกนน้ำถึงจุดนึ้จุดตรงที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาต่อบางลูกในตั้งบน ถ้าเราจิตเราพาวนาทําอิปัสสนาไปนะจนถึงขนาดที่ว่าเราเห็นสุกกระทุ้งเห็นดีกับชั่วเห็นนรกเห็นสวัสด์เนี่ยเสมอกันด้วยาเป็นไตรลักเห็นทุกสิ่งเสมอกันด้วยความเป็นไรรลักคิดไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงด้วยปัญญาอันยิ่งเลยเห็นไตรลักษณ์มันทุกอย่างเท่าเทียมกัน แลถ้าบา ร, รมีเราพอนะแจิตเรามาถึงจุดนี้แลถ้าเราพบพระพุทธเจาพระองค์ใดโงคหนึ่งเราทําบุญในพพุธนะทธเจ้านั้นเมื่อเราทําบุญในพระุทธาเราตั้งความปรารถนาแค่เพื่อหวังพพุทธเจ้านั้นว่ า, า, วนะาจะเป็นพุธนะทธเจ้าองค์นึงท่านจะตรวจสอบเราเลยเมื่อไขตัวนึงก็คือจิตเราเราพัฒนามาถึงจุดที่ว่าเข้าสู่ความเป็ปนกลางไดนะ้ยังถ้าจิตยังไม่เข้าสู่ความเป็ปนกลางท่า น, นจะไม่เบี่ยงเบนได้เลยเพราะยังยังไม่กล้าจริง จะถอยพอเจอทุกก็จะถอยจะไม่ไปเป็นพระพุทธเจ้าผมก็พยายามดูเวทนาให้เราไปปล่อยมันจะได้เข้มแข็งเอกาก้ามากขึ้นคืออย่าไปสนใจว่าพุธทธภูมิหรือสาวกนนั้นไม่ต้องสนใจหราจิตก็จะเป็ี่ยนตัาเี้หน้าที่เราจเจริญ ะ, ะ, ะติเจริญปัญญาให้มากนเข้าสู่คาเป็นกลางนกระทั่งเก่งสุขทุกีชั่วเีเสมอกันเรื่องความเป็นไรละ่ะ ท้งจำทั้งไมดีเสมอกันเรืความเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ดีในชั่วท่างเกี่ยวกันนะทำชั่วได้ไม่ใช่นานมันเท่าเถี่ยวกันเรื่องความเป็นไตรลักษณ์วถึงว่าสุขทุกข์ดีในชั่วเนี่ยเพรแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันแต่ถต้าฝึกตัวนี้ให้มากให้สิบเปรเป็นส่วนนี้ให้ได้แล้วก็สร้างบารมีไปบารมีมีทั้งสิประการในดวบารมีฐานะบารมีฐานบารมีเนี่ย มีข้าวของแจกของเป็นฐานนบาลมีธรรมดาธรรมดาบริจาคอวัยาวะบริจาคเลือดอะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นฐานะผู ป, ปบาลมีแก่กล้าขึ้นถ้ากล้าสลายชีวิตเพื่อทำมันนะใกล้ๆว่าถ้าปฏิบัติทำแล้วจะตายก็ยอมตายได้เป็นปรมาณนะันเป็นปรมาณบาลมีเงินทุกสิ่งทุกอย่างแนละ้วจสร้างเราไปดูเนระื่องบาลมีสิบข้ออันไหนมีโอกาสสร้สางสร้สางอันนั้น แล้วก็จเจริญ ม, มีปัจจุบนาไปให้จิตเป็นกลางมีแต่บารมีแต่จิตไม่เป็นกลางให้พ่อพระเี ย, ย, ยระยะไกลท่านก็ไม่เป็นก้อนได้ดอกของ ท, นท่นนานนะถ้าย่างเกิดพุทธูมก็ยังไม่ได้รับเป็นอย่างก้อน ค, ครับกาวนพ่รัตอนนี้ผมตั้งแต่ปฏิบัตมาประมาณสิบปีครับแต่ฟังหลวงพ่อจมาสองปี นะครับตอนนี้หายรล้วแล้ไหายไปไหนปีกว่าสองเดือนบางทีฟังฟังเล่นเล่นวันนียก็ขี้เกียจครับเลยไม่ไม่ค่อยได้เลยแล้วก็เป็นคนช่างคิดครับเลยไม่ค่อยเข้าใจครับคนที่จะเรียนมี่ัศนายากที่สองจำพวกเพรที่หนึ่งคือวกเต็มสมถะเพียงแค่จิตนิ่งอยู่เฉยๆนี้เรียนที่ปัศนายากเพราะว่าไม่เห็นเกิดดับพวที่สองคือพวกช่างคิด ขณะที่จิตเราเป็นลงอยู่ในความคิดเราไม่เห็นสภาวะไม่เห็นเกิดดับเพราะฉนั้นเราสลาความจากรู้อย่างเห็นทั้งหลไปดูกายดูใจโลกปัจจุบันเรื่อยๆไปนะแต่กำลังมันพอไมขึ้นไม่มไตั้งสนามเลอย่าไปคิดเราดูของจริงเอาวันนี้อยากมากาพคบคุณหลวงพอว่อเลยแล้วก็อยากถาม้อสงสัยเรื่องนนหนึนะ่งาครับคือผมอคือตอนนี้ผมเห็นแล้วว่ากายกับ จิตนะครับมันคือมันอยู่คนละส่วนเราแต่กลนแล้วก็ก็คือผมผมเห็นแล้วก็บางครั้งผมทําในเรื่องจมกองกันมันนะครับแล้วก็เห็นความคิดมันมันวนอยู่บนหัวเราเวลาเราเอิบบางทีแล้วก็เข้าไปจำมันก็กลายเป็นเพ่งแบบนี้ครับแล้วก็ผมเมื่อไม่กี่วันนี้ผมก็เริ่มปิ้งขึ้นมาเข้าใจแล้วก็เลยพยายามไม่ไปตามมันครับก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ความคิดนเดียรอยู่กับมันถ้าเราไปดูมันเป็นจะดับว่างๆ พวที่ไปหลบควา่างวกไปดูรู้ทันจที่ิดัไปเว่าใช้ไม่ได้หอกไม่คมีลักษณะแค่เปคิดแติดหลงผู้ดุลออาใส่คิดนคิดไปแล้วเสุขรู้ทันเกิดทุรู้ทันเนดีเกิดช่วรู้ทันรู้ทันฝางรู้สึกที่มันเป็นแต่เน่ยนานข้านานข้ามจะเห็นว่าทุอย่างเกิดระดับนะมันเป็นปัญญาจริงๆแล้วก็ คมเมื่อเมือคืนที่แล้วผมจะนอนใช่ไหมครับแล้วก็ก็ปฏิบัติไปเรืยก็คือรู้สึกว่ากําลังนอนอยู่ก็มันก็จะมีความคิดขึ้นมาเต็มไปหมดนลยครับแล้วก็ผมก็ทําไปเรื่อยๆสักสักพักนึงผมก็รู้สึกว่าอยู่ดีมันก็ตัดไปเลยแล้วมันเหมือนภาพมัน zoom มาที่หน้าเราครับเหมือนมันซูมแล้วก็เราก็ลดตัวอย่างนั้นเลยครับจิตมันหลบลงตัดกระแสรอบๆนั้นหลบสงบเข้มาตั้งมั่นอยู่แล้จิตพลิกเป็นสมถะ เวลาที่เราตามรู้ตามดูไปนะจิตจะฟิกเมาทำสมถตาเป็นช่วงๆนะสวา่วางว่างไม่ชัดๆเราไม่เอาตัวนี้นะเข้ามาพักสอนพอสมควรออกไปถูกไปทํางานต่ออย่าให้จิตติดวิ่งติดเฉยแล้วผมอยากจะถามพ่อคือผมนี่ยังสมาธิน้อยไหมครับหรือว่าสมา่ิ ย, ยังน้อยทําในรูแปแบบถูกวันได้ดีนะแต่ไม่ได้ทําเราเองนะครับเช่นเรา รู้ร่างกายคนเสิร์ตเธรรมนานาปณสติเงี้ยจะเป็นรูที่ลมเป็นเจ้าอยู่ที่ลมหายใจไม่ดีลมจะเป่นเจ้าอยู่ที่ลมให้รู้สึกสบายสบายรู้สึกทั้งตัวเนี่ยรู้สึกตั ว, ตวรอบๆนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกนะใจกวา้วางๆสบายๆายูเงี้ยนี่มันจะไม่เข้าเป็นตะครุบอยู่ที่ลมหรือตะครุบที่ลมเป็นสมถะ ถ้าสอ้างบางเนี้อมันหาใจกับกายก็แยกกันนะ้ะเห็นเลร่างกายที่หายใจอยู่มันไม่ใช่เรามันเดินตั้งอย่างต่อไปเรันดูเร่างกายหายใจไปถ้านั่งิ่งๆก็เห็นร่างกายหายใจไปถ้าเคลื่อนไหวก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปไม่เพ่งไม่จ้องไม่ทำเราไปอ๋อนี่ใช้ได้ครับใช้ได้ราคาเยอะไปดลวางการขคุณหลวงพ่อรับรองการเอาไปรรหลงพอได้ครับ ครับกลับาเมืักครลครับก็ส่งไปบ้านต่ mm ้งจากสี่เดือนที่แล้วนะครับเมื่อมาต้นเดือนกุมภาพันธ์เห็นงน้าการที่จิตก็หลอนจากอารมณ์หลอนออแล้วก็รู้สึกว่ากิเลสนก็จะว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนมีนาก็ระหว่างที่เดินโลวก็รู้สึกจะมาทั้งตัวเลยว่ากายไม่ใช่เราครับ จากแรกๆที่ต้อ ง, องน้องดูการว่าไม่ใช่เราแตตอนนี้นี่เหมือนจะเป็นธรรมชาติแล้วดูไปแล้วจำตัวก็ไม่ใช่เราแชร์ไม่ไมีครับแล้วก็มันกเราห<ป>รือเราอยู่ที่คนดูเ ร, เราอยู่ที่จิต น, นั่นเดียวก็ไม่เป็นเราแล้วครับ ต, ตอนนี้ก็ไปดูในมันทำอยู่ก็รอจากพวกเขาเนี่ย มันไม่ทราบว่าผมมีจุดดุเาไม่ได้เอาหนักนะมาทําเนี่ยให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้นะอย่าไปรอดูนะแห่มันมีขึ้นมานะก็รู้ว่ามันมีก็จเห็นเลยมันมันเกิดได้ลับได้ถ้าเราไปรอรู้จะว่างไม่เกิดเลยเกิดแต่ว่างๆให้ไม่ไปดักรู้นะให้ความรู้สึกต่างๆเกิดแล้วไปรู้เอาใช้ได้นะที่ฝึกของคุณดีเป็นมากเลยพัผ่านแน่หมดเลยดี ค่อยแจได้ถูกใส่รับไปเลยเห็นมมันเห็ น, หนเองใสรับไม่ต้องพูดเลยชใช่ครับเนี่พยพยังการปฏิบัติคือว่าหลวงพ่อสอนนะทุกวันนี้มีคนที่านามานับจำนวนไม่ถูกแล้วเยอะมากมันพิสูจได้นะว่าการปฏิบัติอย่างไหถูกอย่างไนผิด น, นะอเปงหลายสิบปีเพ้งอยูน่นะเีแล้วะครับขอบคุณวพ่อครับ กลับในพิธีการขวงพ่อค่ะจากการส่งกัรบ้างครั้งที่แล้วนะคะหลวงพ่อให้หนูไปดูกายดูใจซ้อมเพิ่มเติมวันนี้ขอส่งการบ้านขอให้หลวงพ่อช่วยตรวจสอบว่ามีพัฒนาการขึ้นบ้างไมคะเป็นไม่ร้ายแเป็นแรงไหมเออเรนจะมีคำถามคือหมายวพัฒนาไหมอ่างั้นีนูวีดิโอชอนจะด้ยตัวเองนะนหนูขออนุญาตถามนิดนึงนะคะหนูกลัวนเข้าันตัวเองนะคะหนูเป็นชาพุดที่แท้จริงหรือยังคะ เอานยาเนี่ยต้งวัดใหม่แค่ไหน่ะเอาต้นๆนก็ได้ค่ะต้นๆนูก็จากโซดาแล้วคืออหนมก้าพูดนะคะแค่ว่าหนูขึ้นวิปัสนาได้นะคะได้นวิปัสนาได้ขอกันด้านเพิ่มเติมครับ่าตุกันทํางานไปเลยนะถึงวันนงเราจะเห็นว่าไม่มรองแต่ี่มันยังมีรออยู่ถ้ายางมีร่ออยู่ยังไม่ใช่โดาหรอก ทำมาได้ยัาไงเก่งนะจุกขัดแยกในหมังสิ่เขาพคุณน้องป้องครับต่ตัการเป็นพ่อครัเมื่อสามส่ปีก่อนนั้โยงได้ส่งรมณ์ต่ลวงพ่อชมนุษว่าใจของโยมจะเี่ยเป็นเมตาแล้วก็ต้องแล้วต้องโยมก็คู้ว่า มันเป็นไปของมันเองแต่ตอนนั้นอะคิดแต่ว่าเออมันเป็นของมันเองตรงที่ว่าการเมืองเนี่ยท้ายที่โลกหพก็ถามบอกว่าอ่าแล้วมีตัวเราไห ม, มก็ตอบกันว่ามีหลวงพ่อบกอกเตือนภาวนาดีๆไป็นามาแต่หลวงแต่โยมก็หามาแล้วทั้งสามสี่ีก็ก็ไม่เจอจะ่ดีครับอะไรที่มาไม่เจอเลยนะ ไม่เจอตัวเราไม่เจอตัวเราโอไม่ไม่ไม่เจอว่าตัวเราเนี่ยต้องดูตังเือบถ้าจิตสรงสมาธิอยู่อะไรอย่างันดูเราไม่เห็นต้องเล่นปีกเหลือยิงตอนกำลังโกรธเนี่ยดูไม่ทีนี้เมื่อประมาณสองสาอาทิตย์ก่อนโยมก็อยากจะปีกพิลึกก็อยู่ที่บ้านก็ทำอะไรต่อเท่าน โยมก็ไปไปเรียนที Neither ่วนแล้วก็ปฏิบ uhm, ัติทีนี้เจอเพื่อนคนหที่ปฏิบัติด้วยกาเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นกสิ์หลวงพ่อพุธแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็บอกว่าหลวงให้รู้หลวงให้รู้โยมก็บเออใช่หลวงพ่อเขาก็สอนเรอย่างนี้เนาะ่อนิหลวงพ่อพุธสิวโยมก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พอมาอีกวานลงโยงลงโงกมันก็รู้สึกเบหนที่จะเป็นห่วงว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเราอย่างไรแล้วดูเป็นรนู้นเนี่ยดูมันก็รู้สึกเื่ต้องมีความรู้ช้ขึ้นมาใหม่มันจะจะทิ้ของเเราพูดต้นใหม่ดีกว่าเอาหลแล้วรู้หลเอารู้ก็เลยท้าไปรู้สึกว่าเดินได้สบาย ก็หนึ่แล้วก็เดินจงกรมก็ไม่รู้ืไม่มีเป่าเราอยู่กับปัจจุบันเวลาหลงมันก็หลุดจากปัจจุบันเราต้องมาอยู่กับปัจจุบันหลรู้นี้พอวันที่นยวก็เดินจงกรมอีกแล้วก็ไปนั่งดูตัวหลว่าจะบตัวหลวงเรทีมีขกระที่นั่งเนี่ยเื่อนเขาก็มาถามว่าพี่ ที่ดูอันนั้นต่ทาไงตอนนั้นโยมก็ชี้ซือก็ตอบเข้าไปบอกว่าความเห็นนะความเห็นเขาพี่นะแล้วก็กลับเข้าไปดูข้างในมาดูเข้าไปข้างในก็บอกว่าเนี่ยมันควาของมันเองหายใจเนี่ยหายใจเข้ามันก็หายใจของมันเองหายใจออกก็หายใจของมันเอง ป็นทำของมันเองตลอดอมไม่ไม่ไม่ไม่ได้ทานก็ไม่มีตัวเราตัวเราแตมีความรู้สึกตอนนัว่าอรเี่มันทำเป็นของมันเองตื่นเต้ น, <c oughs> นไม่แค่ะแล้วก็ใจตอนนั้นก็แบบตอบนึเป็น 8, 6, 6. แบบสงบสแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เส้นผมบางของเขา <ừ> เออมันเป็นไปของมัน เ, นเออย่างนี้แน่นอนเรสัรงเกตตเนี้ยมันมีเามมราพอพูดว่าไงคะบอว่าตอนที่เหลอพูดพูดเนี่ยนะมันมีเราอเย ม, <c oughs> มันจะเวลาจะดูเราเนี่ยดูตอนเผลอๆ เ, เห็นตอนเล่าเๆ่าเล่าไปบางทีรร เ, เรามันจะแฟงเข้ามาแฝ <ừ> งใจเราพะเ็นะ อยู่ๆไปดูว่าเราอยู่ตรงไหนจะไม่มีถ้าจ้องใจดูจะไม่เห็นตองเล่นตอนที่เพลินเสร็จตอนนั้นที่ต่อไปอะนะคะก็ดูข้างในไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอบเข้าไปแล้วก็าบอกกับเขาว่าเออตอนนั้นโทษนะครับปวดปัสสาวะเลยบอกกับเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยมันปวดปัสสาวะมันก็ปวดของมันเองเดี๋ยวมันก็ต้องไป อความนั้นของปอมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันทาของิหมดเลยไม่ไม่ไม่มีใครไปทำทางของมันตลอดนี้งเมันเลยเยวลอสังเกตตัวเนี้เวลาที่เราคิดน่ใจเราอินเข้าไปใการคิดันจะลงเข้าไปในการคิดะให้รู้ทันนตที่อินเข้าไปในบางคิดนมันรู้สึกว่าเรามีจริงๆตรงนั้นลไปสังเกตตรงที่เรว่ามันยินน่ไม่ยอมห แลวลาเราเล่าอะไรเราเข้าไปจริงๆแล<อ>จ้จไิจัง เ, เข้าไปจริงจังกับความคิดถ้าคอยรูต่างตั ว, ตวนี้ไหมนะใ น, นบารหวานนะแล้วตอนนั้นกลวพ่ อ, พ อ, อก็บอกโยบุรุทุกข์สร้างนี่ทำแล้วอันนี้ทุกขสร้างหรือเปล่าใช่เพราะมันไปยินกับการคิดรนะนะธรรมใช่ไหมในแจ่ล้ตอนคิดแล้วมันจะบุ๋มามาัมมมนมะันมันอั่นมันจะเป็นเราขึ้นมาแนบะนั้น ท่านจะสังเกตเราเนี่สังเกตเราที่ดีที่สุดเลยเราเราอีนั้นนะครับคือโยมติดใจที่หลวงพ่อพูดว่าตัวนี้เป็นตัวถูกถ้าเผื่อถ้าหลวงพ่อกว่าถ้าเผือเรารู้ว่าตัวนี้เป็นตัวถูกเมื่อไหร่มันเหมือนจะไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือกผ่านแดงเราจะไม่กล้าแตกโยมก็ไปสังเกตสัเกตัวี้มันเป็นยังไงแล้วก็เข้าไป ไม่คันอันนี้เท่าันก็เออตัวนี้มันตัวนุกตัวนี้ไอตัวที่เราอยากที่จะให้ถุกก็คือเป็นต้องไปเก่ามันมีตัวตัะหาแท้ตัวอการจะสุกมันสุกอยู่เดียวแล้วมันก็ไปเก่าเพื่อที่จะให้ได้สุกก็สุกแล้วมันก็อยู่เดียวหนึก็บพิษตาโูก็ไปดูว่ะไอตัวนี้มันเป็นตัวทุกคือ มันแสงตาเพราะว่ามันเป็นตัวทุกแต่ก็มันก็มีตัวตหาแต่มันอยากได้สุงเออมันก็สูงมันก็ต้องตั้งที่าไม่แน่ยว่าเรายังไม่รู้จักตัวถุกถ้าเราู้จกตัวถุกน่จะไม่มีตัวตัณหาก็เลยมีความรู้สึกเกิดมันกขใจแค่นี้ทีหน่อหน่อยก็ยันดีแต่จะต้ได้ทั่สมด้มันยัไม่แจถ้ามันแจ้ลของทูกข์มันจะไม่เตัหาอันนี้มันจะเห็นความจริงของ่าของฐานะไปหันตอ เราขออีกนิดนึงนะโอกาสที่โยมจะส่ ง, ส ง, งผมไม่มีอีกล้วคือพระเอลยมติดใจที่เคยส่งอารมณ์ ก, กับหาวง่วาการทำงานของใจทีนี้โยม ก, ก็าการทำงานของใจได้ยินเห็นว่ามิใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ทีนี้พระเอลนก็เปิด ก็ไปเปิดปฏิสุขงบาให้ฟังโยงว่าควาฟังฟังไปเอ๊ะส่วนหนึ่งที่มันเกิดเป็นาแล้วไม่เกิดตัณหาใช่มเอ้ยี่เราก็เคยเจอเจอสิแตอนนไม่เห็นไรเยเราเราายทของผทชาจจริงๆแล้วก็นี่ว่าขตอนนี้ไม่กล้าแตะกติสุขบะ ก็ยวรู้สึกว่ามันแปลกระูเกิดือที่เจ้าสจะเรียนกับลงพอนะครับเดี๋ยวมัจะเห็นจะเห็นช่วงท้ายจะไม่เห็นตรงเอาวิชาอาจจะเห็นตรงที่เห็นแสกระทัดแสงะแล้วก็เกิดเป็นเวรงน้กิมคนเห็นสามักเนยดี๋ยวเกิกล่าวขอพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ว่าหนูปฏิบัติเขียนะคะได้สคงันพระวงพอสีฟังนะคะ แต่ตอนนี้รู้สึกเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็เห็นเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยนะคะจากแต่ก่อนที่เคยทําสมาธิมันเหมือนมันจะมีขอบั้นแล้วพอมาทำของหวงพ่อที่เหมือนมันสบายๆแล้วค่อยดูจิตเอาแล้วมันก็จะเกิดตัวรู้เสร็จ แ, แล้วตัวรู้ตัวเนี้ยเหมือนมันมประกอบไปด้วยปัญญานะคะแล้วพอมนทํำไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่า กายกายเนี่ยมันโปโงนะคะแล้วทีนี้มันจะไปยึงจิตการเปลแปลงของจิตจิตทั้งทั้งจิตที่ติดสมาธินะไม่ติดสมาธิแล้วมันจะมีตัวสมบอยู่ตัวนึง่ซึ่งมันจะต่างจากตัวสมบที่เราทำสมาธินะคะมันเหมือนตัวสมบตัวนี้มันจะอยู่คนละแนวกับตัวจิตคิ่นะคะตัวนี้คือการเพ่งหรือเปล่าคะคือเราต้องไปรักษานะมันมีอยู่ตัวรู้ที่สงบ ในความวุ่นวายเนี่ยมีตัวสมบอยู่แต่จุดสาคัญคืออย่าไปรักษาตัวสมองใหมมันมีขอ ง, องประเดเเเเเเเเเเะไรใในเเาเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเไเเะเเเเ่เเอเเเจเเเเเไม่ต้องไปเเเเเเเเเเเเเเเเเเถ้ามันเเเเเเเเเเเเเมเเเเเเเเเเเเลาาเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ แล้วทีนี้มันเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วมันแต่ก่อนเราจะคิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตเปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีสติเราจะเข้าเข้าใจว่าเราเป็นนั่เป็นนี้แต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะเห็นเป็นนิวร์นะคะเป็นเห็นแตสภาวะดับนะที่จะลุกกระสับกระสานทำเกิดดับไปไม่มีเราหล้วแต่เิดเมื่อไหนก็มีเราขึ้นมา จะต้องฝึกจนกระังมันนีิตมันแจ้งขึ้นมาจะเหลือก็ไม่มีเราถ้าเป็นทานสวาัสดีนะไม่มีเราเองแล้วไม่ต้องจงใจรักษาตอนนี้ยังมีอยู่ก็ดูไปค่ะและ้วนิวรของหนูมีตัวอย่างตัวเนึเนงคือพลังข้างนอกอนะค่ะเขาชอบระเดียเสร็จแล้วทีนี้มันจะทำให้เจ็บพอมันเจ็บมากๆแล้วหนู มันจิตเหมือนมันไม่เอากายแล้วมันมันจะดีออกจากกายเลยแล้วทีนี้มันเหมือนมีช่วงหนึ่งมันดับไปเลยทั้งสติก็ขาดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันดีไหมคะไม่ดมันเจ็บเข้ามาเราเขาแยกคันกายส่วนกายเจ็บส่วนเจ็บจิตส่วนจิตค่อยๆแยกไปไม่งันจิตมันตกใจจิตมันคลวมันนีมันตัดการรับรู้ ว่ boring, าบางบางคนฝึกมากๆมันเป็นโผล่รูปฝังจิตด <Una> ับไม่มีจิตเลยเลยร่างกายนั่งตดแข็งๆเยันั้นไม่ดีหรอกพยายามแยกไปายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งค่อยๆมแยกนี่ค่หลวงพ่อว่าหนูเห็นปฏิจจส่วนกลางหรือเปล่าคะมันเห็นแต่มันไม่ไม่แจ้งแจ้งออกมะเห็นได้เป็นช่วงๆเห็นมั่งไม่เห็นมัง ต้เาเฟยยังไม่พอค่ะยังพึ่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะยัไม่ได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคือพรจะจารีตมิเบโลท่านสั่ักษันาให้หนูมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อแล้วหนูก็ได้สมญดีใจค่ะกราบขอบพระคุณค่ะตรอบขอบคุณคอาจารย์กลิ่นอจารย์กลิ่นอดนนั่เปลงพ่อนับสิบกว่าปีการเรียนจนไกลที่สุดข้าวธรรมสถานพระอาจารย์ครับ ผมเพิ่งกันมาีนครั้งแรกครับหลังจากที่ได้ฟังซีดีของอาจารย์มเกิอบปีครับอยากถามอาชาติว่าการปฏิบัติที่ปฏิบัติี้ถูกต้องไหมครับคนเพิ่งเติ่มกกลบ้างเห็นกิเยสหรือไม้่อะไรนะเห็นกิเลสหรือไม่ไปไล่กิเลสเกิดรู้ได้หรือไม่ผิดบ้างครับแี่ยัดูบ่อยๆนะครับดูเห็นตัวอย่างมาไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูบ่อยๆจิตไม่ยอมพัฒนาไง คนเพิ่มเติมมาในกิจกรรมทุกตอนเดินใช่ไหมทุกวันทุกวันไม่ตสังหวังนะทำเพื่อแต่ละทายาดูดูกาโดูใจบ่อยๆแล้วเขากพัฒนานี่กเปียนไปเยอะครับครับรู้สึกเปลียนเปี่ยครับติครับบรรยากาศหพอครับเอ่อจะขอถามาเมื่อในการปฏิบัติเมื่อรู้ทันกิเลส แ้มันเกิดหยุดแล้ว น, อน้องแต่น้มาที่ตัวรู้รว่างที่ตัวรู้หรือน้องทกายเนี่ยไม่าทารถูกองืนเวลาจิตตรเปนคิดนะแลเรารู้ทันจิตคิดเราวมักลับมารู้สึกคือกายที่ใจรู้สมาองไม่เป็นไรนะแต่บางคนกลัวเนิตพยายามตึงให้มันอยู่ที่กายที่ใจเนี้ไม่ถูกเขาคนมันไม่ได้จงใจด ง, งมันมาเองหลกนะ็ บางครั้งมันก็มันรู้นถ้าตึงมันจะแน่นร้าแน่นไปถูกใช้ได้เยู่ได้รับก็ที่มานราก็เห็นว่าขัดเปนแยกขู่ไว้ขัดเป็นแยกได้เห็นครับดีเมื่อขัดเป็นแยกได้แล้วต่อไปนี้ก็ดูขัดว่าทางานเท่านั้นจนวันหนึ่ก็รู้ขันไมนมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีกานกระทาแต่ไม่มีตัวเราครับ ไปทำต่อหน้าทำตัวรู้สึกอะไรครับการรักษาครับทางการครับที่ผมปฏิบัติมานี่ประมาณ5้าหกปีนะครับแล้วก็จดจนทั้งวันหนึ่งมีการได้กลับมาน้องมาดูการครับแล้วก็เห็นสภาวะกายที่มันเกิดดบเกิดดับเปน ด, ด, ดับมันให้สามารถที่จะรู้กับมันได้เนี่ยไม่ทราบว่าสิ่งที่เห็นนันมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดถูกนะ กายก็ส่วนกายนั่นที่มันต้องเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆไม่ใช่เราหรครับสิ่งหนึ่ง ก, ก็คือในเรื่องของการดูเวทนาเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลามีเวทนาท ม, มันกล้ามาก เ, เราควรจะกลับมาดูกลับมารูเที่อะไรดีครับเคือถ้าเราทำมิปัสฉนาได้เราทำมิปัจฉนานะให้เห็นเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้และก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่กาย ทำวิปัสสนาไม่ได้มันเจ็ส่วดมากทาความสงบหม่อย่างน้อยไม่ฟูซ่านก็งานของเวทนาครับขอกันบ้างที่ไม่ทำทจิตเลยนะจิตต้องถึงฐางจริงๆนะจิตโ่ง ๆ, งๆว่างๆสบายออกไปข้างนอกไม่ดีนะครับวกลับมาที่กายีใจของเราใจนอกนอกการบำบัดการ สำคัญ บ, บ้า่คราวที่แล้วนี้มมหลวงพ่อบอกว่าผมไปูเซลล์ครับเหไหมก็เห็นครับทนตนี่คือตอนนี้ัจะทให้เรามีอารอัน่งตามมาในชีวิตของโกรธเนี่ยนะครับแต่ผมก็จะไปเห็นโกรธแต่ว่าโกรธมันก็จะไม่จางแต่พอเรามาเห็นตัวเซลล์ตัวนี้นะครับมันก็พับโกรธมันก็จะไม่แรงครับมันแรงไม่ได้หรอกเราไม่ได้ไปเติมให้มัน ถ้าเราไเห็นทุกอย่าเาติมไปเราเติมเชื้อไปครับเอาคุณนอนนานขึ้นเยอะเยสึกิตใจมันไ่เหมือนเดิมสว่างของใสใช่สว่างออกมาจภายในแล้วก็มีนัที่ดูไปด้ยจนวันหนึ่รกวันไ่เราคือนั้นมัไม่ไม่เราใชนะ แต่ต้องระวังตัวเองนะพามันสว่างว่างๆนะแสงจะมีอยู่ด้านนอกนะมันไม่ย้อนเข้ามาที่กจยที่ใจมันมีแต่ความสุขถ้าภาวนาแล้วสบายว่างมีแต่ความสุขตลอดเวลาเนี่ยรีย้อนมารู้สึกายรู้สึกใจแต่มันจิตหลไปอยู่อนอกนะจิตไม่ถึงฐานตันนี้ต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราทำวิปัสสนาเนะี่ยเราอยากเกิดจับเนี่ยถ้ากำลังของสมาธิไม่พอจิตไม่ถึงฐานวนะิปัสสนูปเกเรจะเกิดขึ้น เกิดไม่ต้องกลัววิบัติสนุ่ยอะไรก็ต้องเกิดทุกคนที่ทามีบัสนานะวิบัตสนุนตัวหลักเลยสำหรับนั่งดูที่คือตัวรูงภาพสว่างว่างสบายโลดอยู่กันได้หนึ่งปีเลยนะมันจะไม่ย้อนมาดูกายดูใจจะไม่เอ็นทุกต่อไปแต่เราจะแม้จิตติดว่าเติดสว่างอะไรนะย้อนกลับมาที่กายที่ใจ่อยๆการทำมาตรการก็ส่งันบ้างเลย บางครั้งทำความเี่ยนภาวนายกดีขึ้นพัฒนาจนไปเรื่อยๆมันเพว่าไม่ว่าจะเกิดคนเวะว่าเกิดปิติจะรู้สติแต่มาช่วงหลังสมเหมืนก็ไม่ทันะครับมันก็ย่ำอยู่กับที่ไปเรื่อยไม่สามารถติดขาดอะไรครับไม่ติดหรอกยังไปเรื่อยๆดีไปยังอยู่เรื่อยเลยหลวปมันเคยสอนนะบอกเหมือนทํามานะก็ทาอยู่ที่เดิมเลยหาไม่ได้ย้ายไปไหนสันต้ปีที่เดิ เราเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจีกะทั่งมันเข้าใจตอนนี้เราเห็นแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจครัคร้งๆมันต้องโทนน้ำไม่เป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกต้องทุกวันต้องเริ่มต้นใหม่นะท ำ, ทำแบบฝนต่อน้ำไม่เป็นรู้สึกเห น, น, น, นือสดๆตอนอทุกวันทุกวันแล้วขอกันบ้านกับอย่าประคองจิตให้ น, นิ่อย่ า, ารักษาจิตให้ น, นิ่ไม่เอาจิตนี่ ไม่ปกครองมันกลับมันจะนิ่งของมันนิ่งแต่ว่าเราไปรักษาให้มันนิ่งไม่ได้นะไม่ดีมันจะไม่เดินสัญญาอย่างตอนนี้รู้สึกเลยว่าจิตไม่เป็นธรรมชาติครับนต้องไม่เป็นแบ่นี้นะเป็นนี้จะไม่เดินสัญญาเจะรักษาอยู่อยานี้นะส่งเอาไใช้ไม่ได้นะับปล่อยให้มันทำานานกับตลองสันขารเดี๋ยววางไปแล้วก็หาย ไอ่เือใหม่ก็จะแข็งทุกคนนะใครรู้ทันก็แข็งกล่าวที่นักศึกษแข็งเะสุดไมต้องแยกตัวนอ้นะติดติสมถะนะครับเก่านะวัฒนการพอครับคือผมส่งการบ้านครังแรกล็คือพังซีดของพ่อมาแล้วก็ปฏิบัติผมไม่ค่อยจะปฏิบัติในรูปแบเท่าไหร่เดี๋ยรูบจะจะให้ยังตามใ้ใน้อารมณ์นี่ครับแต่ให่มีความ ความอยากหรือความโกรธอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นง่ายมากแต่ทีนี้พอพอคินขึ้นมาเนี่ยมันมันมันจะมันจะที้ช่วงไปดมากแล้วพอพอพอเรารู้ตัวขึ้นใหม่กินมอนอมันแตกระชากบเข้ามาคือทีนของพ่อ็มันมันมันก็ขีเพราะเราเพิ่งนาเ้พอเวลาเราชากเข้ามาคือแขอีิตชิเราไม่ไกลังพอแล้วแต่ิตไม่ได้แรมันจะไลไปมันจะไม่ออกมานี่จุ่มเหมือนมันะร มื่นานต่อไป้เกียจดึงก็เลยป่อยเลยไม่ปฏิบัติเลยมันต้องมนนนึุ่เวลาทำในรูปแบบตันาทีนะถือว่าทำบูชาพระพุทธเจ้านะจิตจะได้มีพลังตอนนี้จิตไม่มีแรงเราก็เดินปัญญาในเรืจิตที่ไม่มีแรงน้ก็เหมือนจะไปได้นะแต่ว่ามไปไปเราไม่มีแรงมันเหนื่อยก็ตอนคือบคดีสอของเรที่แล้วคือบทคด น้งน so no ้งหนังที่บ้านถ่ายแล้วก็แบบคือคือที่บ้านเขาก็เาก็เาก็เศร้ากันหมดเลยาก็แคือผมก็ผมก็คืองานนะครับผมก็รู้สึกแบบแต่ว่าที่นี่พอพรุพรุอารมณ์ตัวเองมันมันก็ว่างล่พอพมันว่างแล้วก็พมันไม่รู้สึกเหมือนเมเหมือนตัวเองเนคที่แบบวางแาเลยแล้วก็แบบคือผมแยกไม่ออกระหว่างความความเป็นเบงขากับกับคือมันมันเหมือนตัวเองเยนชาไปด้วยนะ เย็นชานะไม่รู้ร้อรู้หนาวไม่รู้ดีรู้ชั่วนะแต่น <s we ak> ี่เรารู <the> ้ทันความเศร้าโศกเกิดขึ้นเรารู้ทันมันดับไปไม่ได้ว่าเยนชานะเยนชานะมันไม่เศร้าโศกเลยมี่เศร้าโศกขึ้นมาเรารู้ทันค่นขาดไม่ได้ว่าเยนชานะแล้วยีนชามันไม่แสดงความรู้สึกเลยแล้วการปฏิบัติตอนนี้คือต้องเพิ่มอีกทำในรูปแบบมันนะแปลงให้ความรู้ที่เราหลับ ว่ากาลังมันไม่พอรู้สึกไหมเป็นไปดีอะไรรู้สึกไรของได้หลายๆไป่พานๆอันใหญ่ไม่แก่ใจครับสาหรับตุนดีสงการบ้านนะครับตอนนี้ของพระาคุณหลงพ่อประมขประมทโฉมครบ12ท่านแล้วนะครับขอขอบคุขอพระคุณทุกท่อนที่เป็นตาชี้นำชีแนะให้สำหรับทุกท่านเือทาให้อ่า ฟังธรรมรรยยรัญญาแบบนี้สมบูรณ์แบิ่ขึ้นหลังจากที่เราได้รับฟังเกิดปัญญาจากการได้รับฟังแล้วอยากจะใครข้ออาราธนาพระเดะออชองคหลวงพ่อชี้นาชิ้แนะในเรื่องของการภาวนานะครับนับภาวนาสัก5นาทีตามแต่หลวงพ่อจะเมตตาครับหลวงพ่อจะมาให้ภาวนาสองแบบนะเราเคยทําอะไรมาเพราะช่างมันลืมๆไปเราลองเรีนอะไรใหม่ๆดูว่า สมาธิมันมีสองชนิดชนิดหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณนเดียวสมาธิอันนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผูรู้ผู้ดูาาอารมณ์แล้วกยากให้พกเราชำนาญในสมาธิทั้งสแบบขั้นแรกเลยเรจะฝึกสมาธิที่ให้จิตอยู่ในอารมณนเดียวแล้วเราไปสังเกตจิตใจของเราว่ามันเป็นยังไงให้ทุกคนรู้รู้ไปที่ลมหายใจตรงนีงต้องรู้อยู่ที่ลมนะั้นจงใจรู้ไปที่ลม สังเกตไหมว่าจิตมันจะนิน่งๆบางคนจะแน่นๆเลยเอาละอีถอยอาา่อนตื่นการปฏิบัติทุกคนยิ้มหวานๆเลยล ต, ล ต, ลตื่นตาตื่นตาแล้เราไปเรื่องใหม่เราจะทำอาณาปณะสติอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไปดูลงหาใจเราจะเปลียนเรารู้รู้ร่รางกายที่กำลังหายใจอยู่รู้สึกสบายๆทั้งตัวนี่แหละ อย่าเป็นเจ้าใส่ลมนะรู้สึกร่างกายที่กำลังหายใจเข้ารู้สึกถึงร่างกายที่กาลังหายใจออกรู้สึกสบายสบายรู้สึกกว้างๆเรารู้สึกถูอย่าเป็นจ้าลมนั่นะรู้สึกที่ร่างกายรู้สึกกว้างๆเห็นร่างกายหายใจ ใจเดี๋วนะจิตมันไม่เหมือนกันกับที่เราไปจ้องลงหายใจนรกออกไหมเราไปจ้องลงหายใจเราจมใจจองกนะ็เป็นอื่นอัเห็นสมาธิที่ไม่ดีเราแค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่เป็นจ้องที่หลมนะรู้สึกเหมือนทั้งตัวเนี่ยรู้สึกสบายๆรู้สึกตัวคร้อนไปหาย ใ, ใจไปด้วความรู้สึกตัวจิตใจเราจะค่ตั้งมัน่นขึ้นมาพอจิตใจเราตั้งมั่นแล้วนะ ค่อยๆสังเกตร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้นะวันทุกวันแต่เวลาไว้สิบนาทียีสิบนาทีทุกวันไปท่าสวดมนต์แล้วก็นั่งหายใจไปวันไหนมันฟุ้งซ่านมากมีเรื่องวุ่นวายคิดบุญตนนะลุยมาก็จ้อ ง, องอที่หลงหายใจให้จิตมันนิ่งวันไหนจิตมันนิ่งดีแล้วนี่ห้ไปจ้องใหนิ่งรู้สึกไป รูร้สึกถึงร่างกายให้หายใจจิตเป็นคนดูแล้วค่อยๆตั้งมันขึ้นมาจิตจะตั้งมันขึ้นเป็นคนดูแล้วก็ร่างกายก็อยกาแยกไปอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งต่อไปมีความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราก็เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่ ง, ง, ง, นน ง, วงความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิต อ, อยู่ีกส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกไปแยกไปเรื่อยๆแล้วบางทีจะเห็นเาไม่มีเราเองให้ทําเรานะาไปเชื่ตัวเอง ตลวงพ่อไม่ได้จัดคอร์สแบบทั่ ว, วไปใี่เราจะกันใช้วิธีของพระพุทธเจ้าคนจำนวนมากไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเราฟังเสร็จแล้วท่านก็ไล่รดนวลไม้ไดิ้นไหวว่างท้ภูเขาที่ทำ้ำกานคนกสั่งแยกย้ายกาไ ป, ปฏิบัติของตัวเองหางพ่เยไม่ได้ว่าทุกคนนั่งร้อมกันเดินร้อมกันบางคนในเวลานี้คนจะเดินกับเสกขาเพานั่ง วันนี้คนเอกควจะนั่นวิภาเพื่อเกิดจิตใจไม่สงบก็ไม่สบายทางใครทํามันรู้หลักแล้วไปทำด้วยตัวเองทําที่ไหนดีทาที่บ้านนี่นดีปลอดภัยนีตอนในแตนนนท่ที่นนที่นี่ถูกสั้นตนา่าวทีชิงรายนะั่นเขพรรนาเาเข้มแข็งมากเลยเข้าพรราได้ดีมากเลยเราเขาไม่วอกแวกเลยพรรน า, ม า, นามาเรียนหมต้ อ, เองเป็นเจ่ก็ฟัง แต่สี่ปีไปก็กับไปฝนาอยู่ที่บ้านไม่ได้บังวลวายไปเรียนที่นอนเด็ที่นี่นะวุ่นวายหลายหลายที่เรียนไม่รู้เรื่องหรอกกรรมฐานนะเรียนแล้มันเด่นเดียวลงไปนในเวลาไม่นานหรอก็จะเข้าใจว่พาพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราเข้าใจแล้วฝังเนี่ยไม่ว่าเราจะไปฟังทุบานจากที่ไหนเราก็จะเข้าใจด้วยแต่ตอนที่เรายังหาปิตทางไม่ถูกนะั้นเที่ยวฟังหลายๆแห่งหลาท่านสับสนมากเลยใช้ไม่ได้ไม่ได้จริงหรอก เงิตอ น, นตอนที่อดทนนะเราสีดีใส่เป็นฝังแล้วฟังอีกสงสัยขึ้นมาก็เปิดสีดีฟังเดี๋ยวก็ามีคําตอบมาตั้งหัวตั้งใจทางของเราเองทางนี้เป็นทางของคนว่าทางของคนที่เดินไปได้ด้วยตัวของตัวเองไปได้คนเดียวทางเฉพาะตัวทางของสติปัฏฐานไม่ใช่ทา ง, ขงเข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรอกมารเรียนต้องกันกลุ่มใหญ่ๆเสร็จแล้วต่อไปนี้เราตังคนตั้งภาวนัา ทุกวันต้องทาในรูปแบบทุกวันมือสิหน้นาไว้เวลาที่ยจากการทาในรูปแบบมีสติอยู่ในชีวิตประจวันนะีแลความรู้สึกอะไรเกิดขรู้สึกเา่างกเคลไหวรู้สึกิใจเคไหวรู้สึกถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานเราจะไม่แพ้ชาวปุรุหรอกเือนะยนี้ไม่ค่อมีชาุรุนั้นมีพวกกุรุทุรุ คือรู้เยอะทั้งการคือรู้ไม่เห็นมึจะรู้อะไรทุกู่่อะะยัถาวาริมาราริเรราเอววโตินนเตังกะปิ กิจิตังปัจิตังตรงังกิพเมวัสมิจตัสเกตุเรนตุสังคป่าจันทมนรสโยามีชวติรสโยะทามสพิติวิัจตสรโควินาศต มาเตวะวัวันตรายโอสุขีที่กายโกวภวะหาพิวาธนาสีลิส น, นิจางวิทาปจายโนจตารโอธรรมาวั น, นปันตีอายุวันโนสุขังนังสังวันี้ฟ้าเปิดเชียงใหม่เปิดแลนะใจเราต้องเปิด น, นะต้องให้สวารรา่างตับฟ้าด้วย้ามันยังมืดบางสวา่างบ้างนั่นใจเราฝึกให้ดีนะสวา่างทั้งวันทั้งคืน